วันนี้มีเวลากรรมอะไรมารายงานบ้างกรรน้ำมัการค่ะพระอาจารย์กับน้ำมัศการครับพระอาจารย์ายังไรมีอะไรมารายงานมีอะไรบ้าี๋ยวมถนเสาเื่อไปกรับ ไ, ไ, ไปกราบพระอาจารย์ชาโ น, นนาครับเนอะอยู่ที่ไหนพระอาจารย์ ท่านมากรุงเทพนะท่านมากรุงเทพค่ะไม่เอาท่านอยู่ที่ก็อยู่ที่ไหนที่ชนบุรีใช่ไหมครับที่ชนบุรีคร่ะเออแลไงกาบท่านแท่านให้ความด้ได้ปะท่านหน่นอยได้ได้ครับท่าน ห, หนูเป็นเด็กดีไม่สนไม่ดื้อใช่ไมอ่าดังดีดีฮึแกบอกให้หนูเที่สตวนเป็นยังไง เออไม่รู้หรอลูกโอ้ลูกคุยกับพระอาจารย์พี่ช่บอกหไม่รู้ตอนนั้อ่ะตอบเองค่ะก่อนน้ำรัศการนะครับพระอาจารย์อ่วันนี้ไปโรงเรียนหรือเปล่าตอบดีๆนะลูคาะพระอาจารย์ถามไปโรงเรียนหรือเปล่าครับไปค่ะอ่วันนี้เรียนอะไรบ้างจาได้ไหม ฮืมจำไม่ได้เลยจำไม่ได้คอพบอาจารย์อือแสดงว่าไม่มีสติเลยเนทะปะเทปะโอเคต้องตั้งใจเรียนจะได้จำได้นะวันนี้ครูสอนอะไรบ้างอนามัสกัยคอับอาจารย์เออไป เสียงพระอาจารย์เหมือนเป็นหวัดเลยค่ะเออไม่ไม่ไม่เหมือนเป็นอ่ะเป็นเลยเลยพระอาจารย์หายเร็วๆนะคะท่าขังแข็งแรงคระอาจารย์โอเคสาธุอ่ากลับน้มัสการเจ้าค่ะไม่มีคําถามค่ะเอ่ไปที่จะมาเัเจ้าที่ต่อกลับกลับนมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้เจติไม่อยู่แล้วจ้าทติดโควิดเรียบ้อแล้วครับเออ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 เราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดนี่คือข้อสอบของเรานะทุกคนครับเรามีข้อสอบรอเราอยู่ข้างหน้าความแก่ความเจ็บความตายเรากลัวมันไหมเราทุกข์กับมันหรือเปล่าเราต้องเราสามารถอยู่แบบไม่ไม่ทุกข์กับมันได้นะสามารถอยู่กับเพราะมันเรามันได้เป็นมันเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกายเราก็เพียงแต่ อย่าไปยึดไปติดร่างกายเนั้นอย่าไปลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราครับมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปเลียงดูไม่ได้ก็เลียงดูมันไปรักษามันได้ก็รักษาไปเอครับพูดได้ทําได้ปะ่ะได้ครับได้เอออ่าแล้วร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บปัน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 เอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมเป็นไงอาการเหล่านี้น่าดูน่าชมไหมไม่น่าดูครับน่ารักไหมไม่ครับอ่าไว้นะคาว่าไม่นี่เดี๋ยวถึงเวาลา ย, ยิงทำไมไปรักขึ้นมาได้ไม่รู้เลย็ อ, อืมงั้นต้องมันคิดบ่อยๆเวลาเห็นร่างกายแค่คิดให้เห็นทั้งอาการสาสิสองเอ่อ แล้วมันก็จะได้ไม่หายมันจะได้ไม่หลงไปรักใครไปชอบใครครับนะครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับอย่างเงี้ยก็ไปที่คุณผลกับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับการธรรมนัสการพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะเข้ามาปรึกษาอาจารย์ค่ะ เป็นยังไงยังนั่งสมาธิอยู่ปะน้องถิมนั่งอยู่ครับนั่งได้กี่นาทีนั่ได้หกนาทีครับหกนาทีหรือครับหน้าเพิ่มเป็นเจ็ดนาทีได้ไหมได้ครับน้าเรามีการพัฒนาอาทิตย์ละนาทีได้ไหมอาทิตย์หน้าต่อจากนั้นก็อีกนาทีเป็นแปดนาทีเก้านาทีไปถึงสิบนาทีให้ได้ได้ครับพยายามครับจริงจริงเนะ ต้องมีสัจจานะลูกครับอืมมันไม่มันยากตรงไหนอะยากตรงที่เเพมนั่งนิ่งโดยที่ไม่คันนะครับอ๋อเวลานั่งก็อย่านั่งเฉยๆเลยต้อสวดมนต์ไปก็ได้พุโทโธพุโทโธไปก็ได้ อ, อย่าไปสนใจกับอาการคันอาการเจ็บต่างๆถ้าเราไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองคอ่ะโอเค แม่ไม่มีอะไรนะไม่มีนะค่ะขอให้พระอาจารย์ท่านขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะจาถูกจ้าถูกเจ้าค่ ะ, อ, ะน อ, อน้องพีต่าน้องพีขึ้นมาแม่อันนี้ก็ยังนั่งสมาธิไม่ได้สัทีนั่งได้ยัอาการค่ะหลวงพ่อนั่งไม่ได้สักทีเลยตอบไปแม่ต่อบไปแม่้็ห้องนี้นะท่านนั่งสมาธิไม่ได้ ส่วนส่วนมณ์ก็ล่งใจแล้วค่ะไม่ยอมนั่งหนูว่าอจะพูดแล้วค่ะไม่เห็นยังไหนเลยแค่เริ่มต้นแค่ห้านาทีก่อนก็ได้ทำบ้างไม่ทำบ้างค่ะวันดีขึ้นดีอยู่ๆก็แบบว่าทำขึ้นมาเองอย่างเงี้ยค่ะบาทีก็แบบส่วนมน์เองนั่งสมาธิเองหนูก็บเอาแตะลม แ, แตะลมไม่มีสัจจะได้ยิ น, น ะ, ะ่ะคะ ต้องมีศรัทธาที่ทานตั้งใจจะทําอะไรแล้วก็ต้องทำตามที่เราตั้งใจไว้เอียไหมหลวงพ่อคะวันเสาร์นูเห็นแล้วว่าฝนตกหนะัมากเลยหลวก็กลัวหลวงพ่อจะไม่สบายหรือเปล่าวันวันอาทิตย์มาฟังโห่เสียงหลวงพ่อเปลี่ยนแล้วหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ไปตัว นะคะอืมไม่ไ้ปตรวจดูแต่ดูอาการมันคล้ายๆกับตัวใหม่โควิดตัวใหม่เนี่ยมันมีเจ็บคอมันมีอะไรไหนก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรดีขึ้นแล้วเนี่ยวันที่สี่แล้วมันวันที่สามแล้วค่ะดีขึ้นตามลำดับแฟนหนูก็แฟนหนูก็ติดมาตั้งแต่วันศุกร์ค่ะเป็นตอนนี้ก็ยังตรวจก็ยังขึ้นอยู่ค่ะอืม เรอยากรู้ตัวตอนน่อเลยว่าเขาก็กัดไม่ทําไมตัวหรอกแล้วก็ดูตัวเราเองแล้วก็รู้เองอางการเราเป็นยังไง <c oughs> บ้านหนูไม่มีใครฉีดวัคซีนเลยค่ะ ม, มีแต่ลูกชายคนโตค่ะหลวก็อมอาบอกหลวงตาสิว่าวันนี้ไปทําอะไรมาครับไปตักบากร้ อ, องปู้ศรน้องไี่ศนหลวงปู่ศอนนะแต่หลวงพ่อรู้จักไหมคะไม่รู้จักนะคะ ปู่สนอลาลันโยนะคะ่ะนี่วัดบุญชาดิทําบุญกับใครก็ได้นะทําบุญแล้วก็มีความสุขใจค่ะคนนี้พักเกิดได้เสียสละแบ่งปันเนี่ยอันนี้ความหมายของการทําบุญก็คือการเสียสละแบ่งปันคนรับนี่ไม่สําคัญว่าเป็นใครเลยสําคัญตรงที่ว่าเขาจะให้นะก็ เขาจะให้เราคืนกลับมาเออันนี้แต่คนคนทีงสําคัญถ้าไปทำบุญกับผ้าอริยะท่านก็ให้อริยะทำกลับมาถ้าไปทําบุญกับพ้าธรรมดาท่านก็ให้เ อ, อธรรมะธรรมดากลับมาตอนนี้ต่างกันแต่บุญที่เกิดจากการให้เสียสละแบ่งปันนี้เท่ากันให้ใครก็เหมือนกัน เราชนะใจเราไงการให้เนี่เป็นการชนะความตันิิชนะความหวงพอชนะได้ใจก็โล่งใจก็เบาใจก็สบายเป็นความสุขขึ้นเะส่นส่วนผู้ที่รับของเราขเขาจะมีอะไรให้เราก็แล้วแต่เดี๋ยต้องเข้าใจก็ตีห้าครึ่งค่ะก็ตื่นเลย จากของหนูก็ทําอาหารรอแล้วให้เขาเป็นคนเอาใส่ถุงใส่อะไรค่ะชอบตักบาตรดีได้ทําความเพียรด้วยทําสิ่งที่มันประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างส่วนใหญ่เรามักจะคิดถึงแต่ตัวเราเองนี่ให้มาเปลี่ยนนอกจากคิดถึงตัวเราเองแล้วก็วต้องคิดถึงผู้อื่นด้วยผู้อื่นก็อยู่ร่วมโลกกับเราก็าวคลายกันมีความทุกข์ยากเดือนดร้อนก็ควรที่จะดูแลกันไปตามอัตลักษ เป็นการให้ความเมตตาต่อกันเมตตาไม่ได้เกิดจากการสวดเนะมตตาเกิดจากการกระทาการสวดนั้นเป็นการภาวนามากกว่ายู้พ่อเหมือนรู้ <c oughs> เพราะว่าตอนพอดีคุณแม่เข้าโรงพยบบาบาลนะคะแล้วแฟนรเ 19, ราก็ติดโควิดพอดีก็ปไปไหนไม่ได้เลย จนหนูก็แต่หนูไม่ได้ติดโควิดนะคะแต่ว่าเหมือนเหมือนจะเป็นแต่มันก็ไม่ได้เป็นเพระตรวจเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่ก็ไม่ไม่สบายค่ะจมูกมีปัญหาหรืออาจจะแบบว่าอากาศเปลี่ยนเนี่ยค่ะก็เลยไม่ได้ไปหาคุณแม่ก็เสียใจที่ไม่ได้ไปดูแลคุณแม่วันนี้ก็เลยเริ่มดีขึ้นก็เลยไปหาแล้วคุณแม่ก็ออกจากโรงพ<ม>ยาบาลพอดี เพ้าะหนูไม่รบกวนหลวงพ่อแล้วโอเคถ้าไม่มีอะไรก็ไปต่อเลยเนาะไปที่น้องตะวันขออะไรขอให้หลวงพ่อทัดขันแข็งแรงนะคะจะสาธุจะน้องตะวันปฏิบัติกรรมพระฌานครับนั่งสมาธิสองวันสองครั้งต่อวันนะใช่ครับครั้งสามสิบนาทีนะใช่ค่ะโอ้เก่งเลยนะรู้สึกราจะมาที่หนึ่งเนลยไหมันบรรดาเด็กๆที่เข้ามานี่ มเมืเอ่อเช้าทำครกป่ะเอ่อเมื่อเช้าเอ่อไม่เมื่อเช้าแค่ทำยี่สิบมาที๋ต่ผมต้องเขาจะทำสี่สิบนเมื่อ เ, เช้อยู่ที่พ่ อ, อม่ด้วยอยู่ที่พ่อแม่ด้ดวยผู้ปกครองแค่ ง, งว่ดกอดกันเข้ามากน้อยเท่าไหร่มีส่วนคนใกล้คนที่รอบข้างเราได้มีส่วนกับต่อการประพูดของเรา ถ้าอยู่รอบข้างคนดีเขาก็ะจะส่งเสริมให้เราทําความดีกันก็ดูแล้วว่าเขายังเป็นมาที่อาจจะฝึกได้เจ้คะ่ะพระอาจารย์แต่อาจจะต้องเคียนหน่อยคะ่ะพระอาจารย์ที่จะฝึกได้อยู่เจ้คะ่ะพร ะ, า ะ, อ, ะ อ, อาจารย์ถ้าโยมกับคุณมาก็ไม่ถอดใจไปสัก่อนก็คิดว่าน่าจะฝึกได้แต่ยังไหวนะพระอาจารย์แต่ก็ลำบากนะกระแสะทั้งโลกยิ่งอยู่ต่างประเทศนี่ไปโรงเรียนนี่เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องศีลธรรมกันเลยไม่มีเลยเจ้ค่ะ ไม่มีเยแล้วแต่ความถ้าเด็กแฮปปี้มีความสุขก็โอเคอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่สุขก็ส่งไปหาจิตเวะจิตแพทย์มีอะไรไหมวันนี้เอ่อวันนี้พวกมีหนึ่งคำถามครับมามาเลยครับเอ่อจิตของเราเมื่อไหร่มันเป็นเกิดจริงๆครับ จิตมันเป็นของที่ไม่เกิดไม่ดับมันไม่มีต้นไม่มีปลายเข้าใจไหม<อ>มีของ ม, มันไม่เกิดแต่มันก็ไม่ตายตมีของหกอย่างในโลกนี้ที่ไม่เกิดไม่ตายคือธาตุหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้แล้วก็ธาตุอากา คือความว่า Space yeah. ของพวกนี้มีอยู่ของมันอยู่ตลอดเวลามันเป็น building block มันเป็นตัวที่มาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นทำให้เกิดจักรวาลเกิดดวงดาวดวงอาทิตย์เกิดโลกเกิดมนุษย์เกิดสัตว์อะไรพวกนี้ต่างๆงของพวกนี้มันเกิดแล้วดับแต่ของที่สร้างนี่มนไม่ดับมันเพลงแต่แยกก อ, อกตัวเวลามันมารวมกันมันก็สร้างมนุษย์สร้างสัตว์ในราชา ล้วถึงเวลามันก็แยกออกไปมนุษย์ก็หายไปตายไปสาสเตอร์ชายก็ตายไปแต่ไอ ต, ตัวที่มาสร้างมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมดินน้ำลมไฟมันก็กลับไปอยู่ของมันแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาสร้างใหม่อนนี้คือสิ่งหกสิ่งในโลกนี้ที่ไม่มีเกิดไม่มีดับ แปลกนะเราถูกสอนว่าทุกสิ่งทื่อย่างมีเกิดแล้วต้องมีดับแต่เราลืมไม่คนไม่มีใครมาสอนว่านอกจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกิดที่มีดับแล้วยังมีหกสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมีอยู่ตลอดเวลาเช่นเราอากาศนี่มีอยู่ตลอดเวลาไหมสเปซไม่กอมีดับไหมหายไปไหมไม่มีไม่มีก็เออ จิตก็เหมือนกันท่านรู้ก็เหมือนกันรูอยู่ตลอดไปลาพอทิ้งร่างกายพอแยกจากร่างกายนี้ไปก็ไปหาร่างกายไแต่ความรู้เหล่านี้ก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าเราจะทำไงกับจิตของเราที่มันยังทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่รู้รู้ความรู้ต่างๆเหล่า น, นี้ไปแล้วไม่สามารถแก้ความทุกข์ของใจได้ก็ไม่เกิดประโยชน์ไป พระเจ้าถึงเน้นสอนแต่เรื่องวิธีดับถุกทุกข์และการดับทุกพระเจ้าบอกว่าความรู้ที่พระเจ้าทรงรู้นี่เหมือนกับเหมือนกับใบไม้ในป่าเนี่ยแต่ความรู้ที่ถ้าเรามาสอนพวกเรานี้เหมือนกับใบไม้ในกำมือสอนเพีงแต่เรื่องที่สําคัญที่พวกเราควรจะรู้เท่านั้นอนระยะสั้นสีมักแปดตายลักพอแล้วที่ควรจะรู้ เหยีไม่ต้องไปสนใจรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้เขาสําคัญให้รู้วิธีดับทุกให้รู้ว่าเหตุของทุกเกิดจากอะไรแล้วก็ทําลายเหตุนั้นให้ได้หยุดหยุดเหตุนั้นให้ได้ด้วยเครื่องมือเครื่องมือก็คือมรรคทานศีลภาวนานี่ยเ็นเครื่องมือเพาะฉะนั้นเราควรจะสนใจเรื่องทานศีลภาวนามากกว่า ทำทำ่าทำทานทำอย่างไง ร, รักษาศีลรักษาอย่างไงภาวนาภาวนาอย่างไงดูแค่นี้พอรู้สามตัวนี้พอบางทีรู้มากแล้วก็ความรู้ทั่วมหัวตัวไม่รอดเนี่ยนี่ยว่าเจ้าเจอนักพระรูปหนึ่งท่านรู้พระไตรปิฎกหมดเลยท่องจําได้หมดแล้วเจอท่าบอเธอเป็นไม้ล้านเปล่า อยงมันเป็นพระตายไปดกเป็นใบาลานอยู่ในพัแต่มันเป็นใบร า, านเปล่าเพราะความรู้ของเธอนี่เอามาทำประโยชน์ไม่ได้เลยเรามาดับความทุกข์ในใจของเธอไม่ได้เลยเดียขอให้เราสนใจกับความรู้ที่เราจะมาใช้ดับความทุกข์ของเราพพอเรื่องอย่างเลยไว้ไว้ไว้ดับความทุกข์ให้หายก่อนแล้วเรื่องอื่ค่อยมาศึกษาได้ แต่มัวแตศึกษาเรื่อ ง, องอเรื่องเงินแล้วไม่มาดับทุกข์เดี๋ยวเวลามันจะหมดซะก่อนเนะเดี๋ยวร่างกายจะตายซะก่อนตายไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาเจอศาสนาอีกนานนะะนี้เป็นโอกาสทองที่ได้มาเกิดเจอพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาเดียวในโลกที่สามารถที่วิธีการดับทุกข์ได้ ตอนนั้นแ้ไม่มีศาสนาในสามารถสอนให้ดับความทุกข์ได้เนี่ยเขาจึงยกย่องพระพทเจ้าเป็นสัตถาเทวมนุษย์ศาลมเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่มีใครที่จะสามารถสอนอย่างที่พระเจ้าสอนได้รู้อย่างที่พระเจ้าทรงรู้ได้ ถ้าไม่มีพระพุทธจาพวกเราก็ยังต้องทุกต่อไปไม่อาจจะมาเกิด ร, รู้จักวิธีปฏิบัติเข้าฌานรักษาศีลได้แต่มันก็ยังดับความทุกข์ไม่ได้อย่างถ้าวโเข้าฌานมันก็ดับสมาดับความทุกข์ได้ขนาดที่เข้าฌานพอคําออกจากฌานมาเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกข์กับร่างกายทุกข์กับอะไร พอใจยังคถามตอบทะยาวเลย <c oughs> ถ้ารู้ให้รู้สึกว่าให้รู้ว่าเวลาไม่สบายใจเราทําไงให้ใจเราไม่สบายจากความไม่สบายใจก็พมไปหาหมอไม่ได้หมอรักษาความไม่สบายใจไม่ได้ใช่ไหมเวลาตาวัาไม่สบายใจบอกแม่พาไปหาบวชแล้วพาไปหาหมอหน่อยได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เลต้องหาพระพุทธเจ้า พรเจ้าบอกเขาไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราเราวันอยากเล่นเกมพอแม่ไม่ให้เล่นเกมตอนน้ก็ไม่สบายใจแล้วใช่ไหมมีที่จะทำให้หายก็อย่าไปอยากเล่นเกมแล้วเปลี่ยนใจไม่เล่นก็ได้ว่ามาอ่านหนังสือแทนนี่มา น, นั่งสมาธิแทนเอาไม่สบายใจก็หายไปถูกไหม ฟ, ฟังเข้าใจปะ โอเคแต่ไป น, นี้เวลาเขาอยากจะได้แล้วแล้วแม่ไม่ให้เพ่อไม่ให้เวลาเสียใจก็เปลี่ยนใจแม่ไม่ให้ก็ไม่เอาะไปนั่งสมาธิดีกว่าเออถอไปเล่นกับเพื่อนแม่บอกไม่ให้ไปอยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านก็ได้เปลี่ยนใจนั่งสมาธิแทนอันนี้ก็จบแนละ้ะแก้ปัญหาเขามไม่สบายใจไนะด้ละหนูจะบอกพะอจา้าวหน่อยว่านหนูแก้ปัญหายัางไง เวลาที่ อ, อ, <Okay. S 2> อยากจะไปทำอะไรแล้วแม่แม่อนุญาตอย่างเงี้ยหนูแก้ปัญหายัางไงเออผมก็คิดถึงเออเตอแค่ว่าอะไรคิดถึงอะไรคิดถึงบทลงโทษอะไรผมก็คิดถึงบทลงโทษแล้วผมก็ทจะไม่ทำครับเออยังไม่ยังไม่ยังไม่ถึงถึงต้นเหตุตอนเหตุต้องอยู่ที่ความอยากของเราแต่ก็คิดถึงโทษมันก็ดีแต่มันนี้ก็ถ้าเกิดวันไหนไม่กลัวซะไม่กลัวลงโทษจะทําะไงอะ อีกครั้งสิบครั้งสมมติไม่อนุญาตสิบครั้งเนี่ยแอบไปทํำกี่ครั้งแก้ปัญหาด้วยการแอบไปทําก็มีบางอยู่แก้ปัญหาด้วยการแอบไปทําอ่ <c oughs> าออะสิบ <c oughs> ครั้งอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้แก้ปัญหาพอทํากี่ครั้งมันก็จะไม่อีกไม่พอมันก็อยากจะทําอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเปลี่ยนใจไม่ทำํำที่อย่างต่อไปมันก็ไม่ต้องทำอีกไ ป, ไปเรื่อยๆวิธีแก้ความอยากคือต้องไม่ทําตามความอยาก ถ้ายังทำตามความอยากอยู่ความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆพระอายโยมขออนุญาตถามพระอาจารย์คําถามหนึ่งค่ะวันนี้เห็นพระอาจารย์ป่วยก็ทีนี้ว่าอย่างโยมเข้าใจพระอาจารย์ไม่มีเวทนาไม่ไม่ได้ทุกข์กับเวทนาทางจิตแล้วแต่เวทนาทางกายนี่พระอาจารย์พระอาจาย์ใช้อุบายยังไงที่ที่จะค่าไปได้ค่ะพระอาจารย์เอโดยวิธีวิปัสสนานะคะภาจาร ก็มันเป็นของที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วเราไล่ลลมันไปไม่ได้เราจะทําังไงนะเราก็ <S <S <S ต้องอยู่กับมันไปจะอยู่กับมันอย่างแฮปปี้ก็ต้องยินดีต้อนรับมันท่นหนงวอลคัมทูไม่เวิร์ลวอลคัมทูไม่โฮมอย่าไปไล่มันอย่าไปอยากให้มันหายเฉยๆไปอยู่มันไปแค่นี้ใจก็จะไม่ทุกข์ก็โอเบคาเนี่ยตัวที่จะทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับทุกอย่างก็คือ เราต้องวางใจเฉยให้ได้ต้องวางใจเป็นอุเบกขาให้ได้เพรเห็นด้วยปัญญาแล้วว่ามันเป็นหน้าตาเราไม่มีใครสั่งมันได้มันจะมาเนี่ยมันจะมาวันก็มาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะอยู่ก็มันก็ต้องอยู่ของมันไปเดี๋ยวเวลามันจะไปมันก็ไปเองอย่างตอนนี้ไข้หมดแล้วไม่มีไข้แล้วแต่สองวันแรกนี้วันแรกนีปวดเมื่อยทั้งตัว แต่วันที่สองก็น้ำนูกไหลตลอดเวลาตอนคืนก็เมื่อคืนนี้แสบคอเลยแต่พอเช้านี้ก็อาการลดลงแล้วตอนตอนบ่ายนี้ตอนเย็นอาการไข้อาก า, า, ารปวดเมื่อยนี่หายไปหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่น้ำนูกที่เป็นอย่างไรอยู่บ้างแต่ไม่ไ ม, ไม่มาไม่มากก็ <S <S 1> <S 1> อ, อยู่กับมันไปเคยรู้จักมันมาแล้วเคยเจอมันมาหลายรอบนะแล้วเลยไม่ไม่ค่อยกังวเลเท่าไหร่ กังวลก็ช่วยอะไรไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะทําให้เราตายเราก็ต้องยอมแล้วตายก็ตายถึงเวลาแล้วนี่จะทําไงได้เพราะว่าโยมพตอนนี้ก็พยายามฝึกเน้นที่อสุภะก็ยังฝึกอยู่แล้วก็จะเพิ่มมาฝึกให้มันให้มันสู้กับเวทนานะคะพระอาจารย์คนลคะเรื่องอสุภะช่วยไม่ได้แรว้วต้องเห็นเวทนาเป็นอ น, นัตต า, าเป็นเมือนดินท้ากาศเราห้ามมันไม่ได้ เพราะว่าถ้าเวทนาทางกายมันยังมันยังยากกว่าเวิทยาทางทางใจถ้าตรงนี้ยังยังแยกไอ้ตัวตัวคูล่วงมาไม่ได้เนี่ยเวลาเกิดเวทนาทางใจมันจะมันก็มันก็จะทนไม่ได้นะคะอาจารย์โยมก็เลยจะมาฝึกตรงนี้ให้ให้ให้ให้เห็นหน้าตาให้ได้ก็ต้องเห็นหน้าตามเวทนามันเป็นมันมันมามันไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนดินฟ้าอากาศเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันหนาวหนาห้ามมันไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้ พอทำใจให้อยู่กับมันได้อย่าไปรังเกียจมันอย่าไปต่อต้านมันอย่าไปอยากให้มันหายไปหรือไม่มามันวางก็อยู่กับมันไปเฉยๆไปทำใจให้เฉยๆไปถ้าเนีพอเราห้ามันไม่ได้กลับไล่ขับมันไปก็ไม่ได้ถ้าอยากจะให้มันหายก็ทุกข์ถ้าอยากจะให้มันมาก็ทุกข์ถ้ามันไม่มา ใช่ค่ะพระอาจารย์พระว่าบางทีนั่งไปอย่างเงี้ยจะสู้กูจะสู้กูมึงสิมึงมามึงรีบมาเลยนะเวทนาเดี๋ยที่ขาดมึงมึงเริ่มปวดมึงเรบอกให้มันมามันไม่มาพระอาจารย์เออยังไม่ถึงเวลามันไม่มาอืมแล้วมันมาก็ใช้อบเบคาใช้สติพุโทโธพุโทโธไปถ้ายังเฉยไม่ได้ก็ทําทําใจให้เฉยให้ได้ด้วยพุโทโธด้วยสติพอจิตเฉยแล้วมันก็อยู่กับมันได้ เท่านั้นหละสิ่งที่เราขายก็คือสติกับอุเบกขาปัญญาเรามีแล้วเนี่ยเรารู้แล้วเวทนาเป็นอัตตาเป็นอ น, นิจจ์ไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีใครควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่ทําให้มันเกิดทําให้มันหายไปเท่า mm. นั้นแะ ปัญญาเรารู้แล้วเพียงแเอามาปฏิบัติไม่ได้พอปฏิบัติทีแล้วอยากให้มันหายทันทีอยากให้มันไม่เกิดทันทีมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะถ้าสติอ่อนปุ๊บก็เสร็จเลยไปเวทนาที่ไม่เป็นกิเลสมันก็มาเลยอยากให้มันหายไปแบบนี้เจ้าค่ะอาจารย์มันเงินทุกข์มาเลยไม่ใช่เวทนาอันนี้เรียกว่าทุกข์ทางใจทุกข์ในอนิยสัตว์สี่เกิดจากความอยากของเรา ซึ่งรุนแรงกว่าทุกทางร่างกายก็ต้องโยมก็ต้องต้องฝึกให้มันให้มันเห็นชัดให้ได้จ้ะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอุ๊ยศา ส, สนาเรา80ปีนี่มันพอจะผ่านมาแต่ละวันมันทุกมากจ้ะค่ะพระอาจารย์แล้วถ้าจะไปเกิดอีกไปรอพระพุทธเจ้าองค์นัา้มาตรสรูอีก 40,000 ปีหรือกี่หมื่นปีพระอาจารย์พอจะผ่านมาแต่ละวันโอ้โหไม่เอาแล้วค่ะพระอาจารย์ เลยว่าไม่เอาแล้วค่ะกลัวรีบเร่งปฏิบัติเนี่ยตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ค<ฮ>่ะไม่ยากหรอกฝึกสติฝึกสมาธิแล้วขาดเครื่องมือเครื่องมือก็คือสติสมาธิเพื่อทําใจให้นิ่งให้เฉยพอใจนิ่งเฉยได้แล้วก็ใช้ใช้ปัญญาสอนใจว่าเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้แล้ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม แม้แต่ลูกเราวันหนึ่งเราก็ควบคุมบังคับเขาไม่ได้วเราควบ<ะ>คุมไม่ได้ก็ปล่อยเราจะทำอะไรก็ไล้ขอ ง, งเขาแล้ก็จะไม่ทุกข์กขาเจ้าค่ะอะาจารย์โยมก็พยายามเพิ่มสติกับ <c oughs> กับวางใจให้เป็นวางใจให้เป็นกลางเจ้าค่ะอาจารย์อโอเคมีอะไรอีกไหไม่มีแล้วเจ้าค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมั น, <c oughs> มนจะนานเกินอาจารย์ <c oughs> จะเจ็บคอเอา อาไม่เป็นไรละหายละจัเดรยวอันนี้มีแต่ขี้มุกนิดหน่อยอน้ำมูกนิดหน่อยน้ำมกแบบแล้วไงเหมือนน้ำไม่อย่อองางที่ชอบไห้ออกก็พระอาจเดี๋ยว เ, เดี๋ยวกรกดา this ก็เดี๋ยวจะไปกราบพระอาจารย์นะคะไปจะไปหาพระอาจารย์อีกรอบนึงเพราะว่า<ช>ก็ซื้อตั๋วแล้วจะขาพาา<ช>ัพระอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวกรกดาคิดว่าอาจจะไปหาพาาะระอาจารย์ค่ะอนาคตไม่แน่นอนอันนี้จ้าอานาตา โยมอาจจะอาจจะไม่อยู่ตรงนั้นก็ได้สิคะแต่พระอาจารย์ต้องอยู่ปวดลูกหลานปวดลูกศิษย์ไปอยู่ก่อนเหมือนก็เป็นหน้าตาเหมือนกันเป็นหน้าที่จ้งเหมือนกันนี่อยู่ดีๆมันก็เจ็บไข้ขึ้นมาเนียไปไปสั่งได้ที่ไหนแต่พระอาจารย์ใส่แมสแล้วก็เวลาตักบาดแล้วก็ใส่แมสแล้วพระอาจารย์จะไปติดโควิดมาตรงไหนคะพระอาจารย์ติดตอนที่ถ่ายรูปติดที่ถ่ายรูปบางทีก็ถอดแมสออกให้เขาถ่ายรูปด้วยอาจจะเป็นช่วงนั้นใช่ไหมคะเออถงนั้น อเพราะอาจารย์กั้นหายใจไม่ได้เลยครับตอนที่ถ่ายไมโอ้ยมันเป็นไม่ใช่แค่นาทีสองนาทีมันเป็นสิบนาทีคนมารอเข้าคิวถ่ายกันว่าค่ะเดี๋ยวนี้เขาดันเข้ายืมมาให้นั่งเขารู้ว่าเรายืนเนี่มันเมื่อยมันเมื่อยหลังยืนไม่ได้เอะไรตอนนี้นั่งตอนที่บิณฑบาตเสร็จก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปเลยแล้วเขาก็เขาเขาไม่ส่แว่นด้วยอุม ก็เขาสอดพอดเราเขาให้ข้าวกินแล้วเราจะใจเฉียวใจ ด, ำดํำเลยไงเขาให้ของเราเราก็ต้องให้ของคืนเข้าไปถ้าเรามีโอกาสตอบแทนบุญคุณได้ก็วควรจะทํากันโยมเคยไปใส่บาตรพระอาจารย์ครั้งเดียวพระอาจารย์ปวดเทศโยมนี่เป็นชั่วโมงเลยนะคะ <laughs> โอเคตอบก็คุณใช่ไหคะพระาอาจารย์อาถุสอาบุตตายถึงบ้านแล้วเหรอเห็นเดินทางอยู่ น้องเก่าในมหการค่ะพระอาจารย์ครัถึ ง, ถงแล้วค่ะพระอาจารย์กำลังจะ<ม>ลงจากรถขามม็มีอะไรคุยตรงนี้อะไก็ได้ค่ะก็เข้ามาฟังทำพระอาจารย์ค่ะไม่ได้เข้ามาหลายอาทิตย์แล้ะคะ่ะต่ อ, อวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเห็นพระอาจารย์ไม่สบายขอให้ท่านขันพระอาจารย์แข็งแรงไวๆนะคะขอได้ก็ดี่ขอ <laughs> ไม่แล้วว่าหนูอยากให้พระอาจารย์แข่งแรงหไวๆค่ะพระอาจารย์จะได้รับใช้โยนต่อไปนานๆไม่ใช่โยมจะได้เพ่งไปบุญพระอาจารย์ให้พระอาจารย์สั่งสอนสั่งสอนมาตั้งนานแล้วโยมยังกระปวกกระเปียกอยู่เลยค่ะพระอาจารย์โอเคขอใขอให้ความปรารถนาเป็นสิ่งที่สําเร็จเกิดขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะถืออมรนาค่ะข้ท่าน สาธุค่ะว่าอาจารย์โอเคไปที่คุณหมอต่อหมอณัฐวุฒิเป็นยังไงครับผมผมโลงยาวขึ้นแนละ้วยาวขึ้นละครับครับค่ะอาจารย์ครับอ่ก็ก็ยังปฏิบัติอยู่ครับยอดเป็นยังไงรถแห่งธรรมยังข้างค้างอยู่ในใจหรือเป่ายังมีครับอืมอเราของทานได้มาบวชอยู่ปฏิบัติธรรมบนเขานีิครั บ, รบใช่ครับใช่ครับ ตอนนี้ก็ปฏิบัติก็พยายามมีสติอยู่ทั้งวันครับแล้วก็พยายามนักสมาธิแล้วก็พยายามไม่ทุกข์อะไรก็ช่างมันครับเอาเอ่าที่ทําได้แล้วเราก็ เ, าเอาใจให้เราสงบขึ้น อ, อ, อยดางน้อยเมือเราได้มาฉีดวัคซีนนะครับใช่ครับมัน ก, ก็เป็นขอ ง, นงนขนาาอนิจจังอนรตาครับปล่อยไปไปแล้วไม่ยึดไปติดแล้วก็ไม่ทุกข์ใช่ครับใช่ครับพยายามที่จะรักษาใจให้สงบเป็นเป็นเป็นหลัก อายุติดถ้าอยากปัญญทุกขึ้นมาทันทีใช่ครับครับนะเราพยายามปฏิบัติอย่างเงี้ครับเอาที่อสมาธิลาวาที่ทําได้ครับเจตีสมาธินี่เป็นกําลังสําคัญของใจครับนะวิญญาเรามีพอสมควรแล้วครับแต่เราขาดสติกับสมาธิขาดเลยขาดครับครับนะเราพยายาม ไม่ไม่มีคำถามครับเราไปเขามากราบนะครับอาจารย์ช่วงนี้ไอโควิดมันเป็นโอมิครอนมัครับแต่ว่ามันก็จะไม่รุนแรงมากครับตอนผมสึกมาใหม่ๆก็ติดแต่ต้องตินใช่แต่ก็ไม่ไม่มีอะไรครับก็สีห้าวันก็หายใช่ครับใช่ครับใช่ครับอาจารย์ท่านแข็งแรงครับเดี๋ยสาธครับเขามาไปที่คุณมออีท่านหนึ่งคุทันสีเป็นมสัตวแพท ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะติดไตหวันบ้างหรือเ่าช่วงนี้น่าจะน่าจะเป็นเจ้าค่ะน่าจะเป็นน่า่มเป็นเลยค่ะโอเคแตนรักษาตัวให้ดีนะขอบคุณเจ้าค่ะโอเคแม่ลูกคุณดิษยากับคุณอุษานมัสการค่ะพอาจารย์ เป็นยังไงอางการดีขึ้นไหมอ่าดีขึ้นแล้วค่ะอาจารย์ ย, ยมเหรอคะทั้งสองอ่ะอ๋ะออ๋ยมก่อนกันเลยยมไปหาหมอเมื่อวานค่ะอาจารย์กลับมาถึงบ้านแล้วก็ไปหาหมอหูคอจมกูกค่ะหมอเขาก็จับเวียงศีรษะเขาบอกประมาณหินปูนหลุดอะค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะยมยมเป็นตั้งแต่วันที่ยี่สิบนะคะอาจารย์แล้วก็ยมก็ทนอยู่แล้วก็ตอนมันเป็นเยอะค่ะยมก็เลย ให้คุณตุ้มพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลติวิกิตอาจารย์แต่ว่ากว่าจะไปก็ประมาณเกือบสองทุ่มค่ะแล้วก็กลับมาก็ประมาณเที่ยงคืนค่ะตอนนั้นก็ตัดสินใจเปิดสัญญาณค่ะเท่าไปทักไปบอกพี่แก้วว่าบ้านหมุนยังเป็นบ้านหมุนแล้วก็พี่แก้วบอกว่าให้คุณตุ้มพาไปหาหมอเลยยุมก็เลยทักไปบอกมาริกาปรากฏว่าเขาเปิดสัญญาณฟังเทศอาจารย์พอดีค่ะก็เลยรับสัญญาณโยมแล้วเขาก็บอกว่า ย้ยขึ้นมา ม, ายยมหมย่อไม่เป็นไรสามครั้งค่ะยงก็เลยให้เขาขึ้นมาขึ้นมาที่เรือนนะคะเล้วก็มานวดให้ตอนที่เขานวดให้โยมนะคะจาย์อืมัมนมีมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โยมรู้สึกว่ามันเหมือนเราปล่อยแล้วแต่เขาจะทําแล้วก็ทําโยมก็หลั บ, ห ล, บหลับตาลงนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองอะ่ะเป็นกองผักเขียวจันกองผักเขียวเขียวรับรู้แต่ว่าที่เขานวดแล้วก็ที่ที่ศีรษะที่เราจับเอามือประคองไว้อ่ะคะ่ะแล้วก็ มันก็นิ่งไปอยู่อย่างนั้นตอนนั้นรู้สึกสัต์แต่ว่ารู้ว่าอาจารย์มันเป็นอารมณ์ที่แปลกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พอน้ำตาไหล ย, ยมก็กลัวว่าน้องเขาตกใจ ย, ยมก็บอกน้ําตามันไหลเองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่าพอได้ยามา ก, ก็กินแล้วหลับค่ะพอมันหลับมากยมก็เลยกินเฉพาะกลางคืนกลางวันยมก็ปฏิบัติต่ตอค่ะอาจารย์ก็เดินจงกรมแล้วก็การเดินจงกรมรู้สึกว่า ที่ว่าเพลินนี่มันเพลินจริงๆนะคะจาย์เดินเพลินสองชั่วโมงครึ่งเนะคะเดินไปได้เรื่อยๆค่ะทั้งๆที่เวียนหัวก็เดินไปได้เรื่อยๆค่ะจาย์นั่งได้ค่ะแล้วก็สิ่งที่โยมเจอนะคะการไปนั่งมันมีความสูงแต่ใส่บาตตอนเช้าของวันที่สิบแปดแล้วก็ตอนไปนั่งภาวนากับที่กุฏิพระจารย์นะคะมันรู้สึกแบบมีความสุขนะคะจาย์แล้วก็เ อ, อรู้สึกว่า ดีใจกับทุกคนที่ได้ไปนั่งในสถานที่นั้นนะคะแล้วก็มีอาจารย์นั่งเป็นองค์ประธานมันเป็นวาสนาของทุกคนของโยมนิยมรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะยิ่งพอวันจะกลับโยมเป็นนั่งตรงนั้นแล้วก็มารู้สึกถึงมันกับความสะอาดสะอาดที่ไม่ใช่เฉพาะสถานที่นะคะจะรู้สึกสะอาดไปหมดเลยค่ะแล้วก็พอนั่งนั่งทั้งท่าที่เวียนหัววันนั้นโยมเวียนหัวแล้วค่ะ แล้วก็พออาจาะให้พรโยมก็ฝืนกบับนั่งลงกลบับน้ำจา ม, มันไหลค่ะจามันปิดดีออกมาเองค่ะอาจาย์มันมีความสุขค่ะาจามโ ย, ยมรู้สึกดีค่ะจามแล้วก็เข้าใจในคำว่าทุกของร่างกายและทุกในอริยสัจซึ่งตอนที่ป่วยก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นกังวลหรือว่าอยากให้หายป่วยมันหมุนก็ให้มันหมุนไปอ่ะค่ะ มันจะหมุนก็หมุนเราจะนอนไม่หมุนก็หมุนที่อาจารย์บอกว่ามันหมุนก็หมุนไปใช่ยอมใช้วิธีนั้นนะคะแต่ว่ามันจะหมุนเฉพาะตอนนอนพอเองมาปุ๊บมันตะแคงแบบแบบตะแคงแบบแบบแบบนี้แหละค่ะอาจารย์มันจุดหมุนอยู่กงกลางตัวค่ะแต่ก็มันจะหมุนก็ให้มันหมุนหลับไปเรื่อยๆค่ะมันก็ไม่ได้ถูกกลับมาก็เอ๊กก็ดีค่ะอาจารย์รู้สึกมีความสุขกับการเดินทางในครั้งนี้ไม่ขาดทุนในสักครั้งที่เดินทางไปที่นั่นค่ะ ขอบคุณเมตตาของพระอาจารย์อย่างสูงเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยค่ะาสาธุค่าคุณติสย า, ปยาไปนีเลยค่ะพระอาจารย์ทานน้มาสการค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยค่ะที่ยังฝากคําในตาฝากคําสั่งสอนมาให้มาให้หนูค่ ะ, ะค่ะก็ที่ผ่านมาก็น่าจะหรืออาจจะเป็นโควิด แหมืพระอาจารย์เหมือนกับว่าเป็นหวัดเหมือนกันค่ะแล้วก็ป<ม>วดเมื่อยตัวค่ะเลยสัปดาห์ที่แล้วเลยไม่ไม่ได้เข้าซูมแต่ว่า อ, อช่วงก่อนก่อนที่ผ่านมาค่ะมันจะร่างกายไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าแล้วก็เวลาจะเข้าจะพยายามนั่งสมาธิมันจะต่อต้านรุนแรงมากค่ะแต่ว่าได้ท่านนั่งแบบพุโทโธนั่งได้จริงๆนี้มีแค่ครั้งเดียวเองไหมคะ นอกนั้นคือจะต่อเขาจะต่อต้านมากก็เลยหนูก็เลยใช้วิธีพิจารณาเอาค่ะว่ามองมองเข้าไปดูเข้าไปค่ะเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ถึงกับขั้นทุกข์มากแต่ใจมันใจมันอัดอัดมันไม่ได้มีมวลความสุขขึ้นแบบมันโล่งเหมือนนั่งสมาธิค่ะแต่ว่าวิธีที่มันหายกลายเป็นว่าใช้ปัญญาเอะไปเวลาที่ทําให้มันหายได้แต่การความทุกข์ที่ผ่านมา เนี่ยค่ะพระอาจารย์คือมองมันเป็นอนัตตาไปเรื่อยๆค่ะมองมันไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยค่ะแล้วมันก็เริ่มวางวางไปเองรู้สึกว่าร่างกายเอะเราควบคุมด้วยวิธีนี้ทําแบบนี้แล้วมันไม่ได้แล้วอยู่ๆบางทีก็มันก็ดีของมันเองเฮ้ยมันเหมือนเราควบคุมอะไรเขาไม่ได้เลยบทมันเขาจะดีก็ดีเองบทมันจะไม่ดีมันมันควบคุมยากก็เลยแบบเอองั้นเหนื่อยแล้วก็ จะจะเป็นอะไรก็เป็นแล้วกันแล้วคราวนี้ยค่ะก็เลยนอนหลับดีขึ้นหรือว่าสภาพจิตใจแล้วก็ในการควบคุมสติแต่ละวันนะคะง่ายขึ้นค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์พอปล่อยวางแล้วใจก็ไม่เครียดนะใช่ค่ะแล้วก็ อ, อยู่ๆไปเจอคําพูดของพระพระเจอในอินเทอร์เน็ตนะคะพระอาจารย์ว่าเวลาคนเขาจะพูดอะไรกับเราถึงเขาพูดดีมันก็เป็นกรรมของเขามันเป็นเรื่องของเขา เขาพูดไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาที่จริงเคยฟังมาเยอะมากแล้วคะ่ะพรอาจารย์แต่อยู่ๆพอฟังวันนั้นปุ๊บสบายใจเลยคะ่ะพระอาจารย์กลายเป็นว่าเวลาไปพูดไปเจอกับใครเวลาที่เขาคนเดิมๆสังคมเดิมๆคะ่ะแบบเมื่อก่อนจะคิดว่าเออเขามองเราปรแปล ก, ปลกลๆหรืออะไรเะีตอนนี้ยังไงก็ได้ปล่อยปล่อยเขาเลยคะ่ะแต่ว่าดีขึ้นคะ่ะ ไม่กล้าพูดว่าแบบว่าปล่อยได้หมดขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกสภาพจิตใจดีขึ้นค่ะพระอาจารย์เออเข้าใจสภาพอาการเป็นจริงเลยค่ะมาเป็นจริงเราก็คุมบังคับมันไม่ได้ส่งมันไม่ได้แล้วก็น่าจะเพราะว่าคิดซ้ำๆมัคะพระอาจารย์<ม>เพราะว่าคำพวกนี้มันก็เราก็ได้ยินมานานหน้า ต, ตาน้า ต, ตายา้ำอยเรืใช่ค่ะแต่พอใช้บ่อยๆมองมันบ่อยๆอยก็ช่วยได้ค่ะตอนแรกคือ หนูท้อไปเลยเหมือนการขายช่วงนั้นที่ว่าเอ้ยเรายังไม่มีอุบเบกขามันไม่มีทางตัดอะไรได้หรอกค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอมันเข้าสมาธิไม่ได้นั่งมันสติมันมันเขาต่อต้านมากๆ่าใช้วิธีใช้ปัญญาเออมันก็พอประทังได้อยู่ค่ะพระอาจารย์ปัญญาอบรมสมาธิได้ก็ดีใช้ปัญญาได้ก็ใช้ไปอก็ อ ย, อย่าไปอย่าไปทุกกับร่างกายร่างกายเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาขึนไปอย่าหายไม่หายก็เป็นเรื่องของร่างกายไปไม่ใช่หรือเปาขอบคุณจัน่ค่ะมีคําถามอะไรไหมเ<อ><อ>ดี๋ยวยกใหยถามวันหลังก็ได้ค่ะจันเดี๋ยววันหลังก็ได้ค่ะแต่ขอเคใช่จะรักษาทัดขันนะคะจันป่วยจะวันไหนอ่ะคะ แล้วตั้งแต่วันจันเนี่ยเริ่มป่วยมีอาการวันอาทิตย์ก็เริ่มรู้สึกแปลกๆ แ, แ, แล้วให้ทำไมคอมันเริ่มสักๆนะและวแล้วพอวันจันมันก็เลยเริ่มอาการเต็มที่เวลาเทศไว้ทำไมเสียงมันแหงลงใช่ใช่ค่ะแต่ก็<ๆ>โอเคไม่ก็ได้ค่ะแต่โยมชอบธรรมะของอาจารย์วันที่ยี่สิบหกมกราแปดค่ะอาจารย์เ<ม>ทศเรื่องพระห้าอินทรีห้าค่ะ ฟังแล้วแบบทุกคํามันเป็นแบบเน้นทุกคําพูดของการเทศเลยค่ะฟังแล้วมันมีพลังค่ะอาจารย์โอเคดีเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็แล้กันนะขอบคุณมากเลยค่ะสาธุสาธุค่ะอาจารย์พรหมพิไลกับคุณอนุพูนกับนุสการพระอาจารย์ค่ะยังไงก็เก็บเบลศูลนะคะเอ่อืม ทุกคนก็พยายามอยากจะไม่ไ oh, ด <words> <that> ้ใ oh, ช <that> ้กายป่วยนะคะเออใช่ป่วยก็ยังต้องทํางานนะมันนี้เราทดสอบจิตใจเรไงว่าเป็นยังไงจิตใจลราทุกข์กับมันหรือเปล่าถ้าทุกข์ก็จะได้ว่าเยังสอบตกอยู่อืถ้าไม่ทุกข์ก็โอเคผ่านได้ป่วยกายค่ะแต่ว่าคนฮกายไม่ใช่เรา คนใช้ร่างกายไม่ได้ป่วยด้วย you, user ใจเป็น user เป็นเหมือนคนขับรถรถเสียก็ใจคนขับรถก็อย่าไปเสียก็อย่าไปหัวเสียกับรถเถอซ่อมรถไปหายก็หายซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนคันใหม <laughs> ถ่ถ้ายังถ้ายังถ้ายังอยากจะใช้มันอยู่ก็ต้องไปเปลี่ยนนั่งใครใหม่ ตอนนี้มีมีหลายเปลี่ยนให้เยอะของจริงและของปลอมของเทียมของปลอมเรนนี้เอาของหมูมาใช้เยอะๆเรนนี้เขาทดาเราเอาเอาไว้เอาไว้ว่าของหมูมาใช้ทดแทนของหุนเณจ ะ, จะกลายเป็นโรบอทแล้วมันก็เป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วร่างกายมันไม่ได้เป็นเราไม่เรียกว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆมันก็เป็นแค่โรบอทอะไร มันถึงเปลี่ยนได้มันถึงเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้มากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ชิ้นส่วนเ อ, อเปลี่ยนได้ทุกระบบาตายาไม่ดีก็ยังไปนอนฟอกไตยอยู่ต่อไปได้อีกแต่วิธีเปลี่ยนที่ดีเลยก็ไปเปลี่ยนข้างล่างเลยดีกว่าเอาร่างใหม่เลยเนี่ยใกล้เวลาแล้วออเดี๋ยวถึง เ, เวลาจะไปเปลี่ยนแล้ว น <Yeah. S 1> ความตายก็คือการไปเปลี่ยนร่างกายเระห่างทางก็ว่าไปสวรรค์บ้างไปน้ำโลกบ้างแล้วแต่บุญแตาา่บาปต้องพยายามแบบไม่ต้องเปลี่ยนแล้ว่ะ uh huh. ไปแล้วจบไปไปเลยไม่ตพอแล้วเบื่อแล้ว uh huh. มีกี่ร่างก็เหมือนกันเด็กก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีก็เจอคนเยอะแยะที่แบบบอกว่าโอ้ยฉันน้ำไม่เกิดแล้วแล้วก็ถามว่าน้ำท่า น, นปฏิบัติหรือยังรู้หรื อ, อยังว่าคืออะไรว่าอู้เขามีความอยากคือมีอยา ก, มยากไม่เกิดแล้ว เราก็บอกว่าพมจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยอยากเฉยๆมันไม่มันไม่ทำให้เกิดมันต้องปฏิบัติวิธีดีจะทำให้ไม่เกิดถึงงยังถึงยังยไม่เกิดได้โอเคมีอะไรัหมไม่มีค่ะส่ันมากรับสวัสดีครับคุณสาธกาเชิญ ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ฟันทำฝ่าปฏิบัติค่ะเออดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะโอเคสุปฏิปันโนออเนีว่าสุปฏิปันโนนี้เขาไม่ได้หมายถึงพระนะเขาหมายถึงผู้ปฏิบัติเนีใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เกิดเป็นสุปฏิปันโนเออไม่ใช่หมว่าต้องเป็นพระถึงจะเป็นสุปฏิปันโนนะคะ ใ ค, ใครก็ได้หญิงก็ได้ชายก็ได้นักบวชก็ได้ฆราวาสก็ได้ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติเชอาก็เป็นสุปฏิบัติโน่นําไปใช้ค่ะคระบอาจารย์มนรุภาพผลที่พานได้ทุกคนถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติเชอบนะสาธุคุณลูกตาคุณแม่ เฮ้ยทำไมหน้ามื่อไฟไฟอยู่ข้างหลังเลยนะค่ะนมัสการเาหาอาจารย์การไม่ตกไปตรงนั้นไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอ่ค่ะคเดี๋ยววันที่สามสิบเอ็ดถึงวันที่สามหนูจะขึ้นเขาอะค่ะไปก็เลยอติดใจนะไปค่ะหนูจะไปทุกเดือนจะไปจะไปให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะไปได้ค่ะอาจารย์เออดีเวลามีน้อยมากนะต้องต้องเล่งความเพียรหน่อย ค่ะตอนนี้หนูก็เร่งเต็มที่เลยค่ะเออแข่งกับเวลาว่าอันไดนอันไ ห, นนไหนมันจะชนะเราต้องชนะเวลาอย่าให้แบบต่ว่าแต่ว่ามันอยู่ในสมาธิได้ไม่ยังอยู่ได้ไม่นานนะคะพระอาจารย์อืมมันต้อมันต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ต้องทํางานอะไรเล ย, เ, ลยเป็นผ้าอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเจวันเจ็ดคืนนี้มีแต่ภาวนาอย่างเดียวจาริญสติจอย่างเดียวมันถึงจะเข้าได้ลึก ถ้านั่งแขกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งต่อวันเนี่มันมันเพียงได้เซี่ยวเดียวค่ะหนูก็เลยว่าต้องไปปีวิเวกอยู่ที่เขาค่ะอืมค่ะดีอาเจอที่ที่ชอบแล้วทำให้ใจสงบได้ก็ดีคทิครั้งสี่ห้าวันก็ยังดีพอดีวันนี้ไปได้น้อยวันเพราะว่าเดี๋ยวลูกตาลก็จะเป็นสมัมมนาไบ ป, ประกอบวิชาชีพอะค่ะอืมค่ ะ, คะก็เลยไปได้แค่นี้แล้วเดี๋ยว เดี๋ยวหนูก็จะจองต่อพอกลับลงมาหนูก็จะจองต่อค่ะดีถค่ะเอถ้าที่บ้านพักนี้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็แจ้งกันบอกคนที่เราจำได้ลนะเขาจะได้สั่งกับคนที่เขาดูแลอีกทีหนึ่งหมายหมายถึงสุขภาพเหรอะคะไม่บ้านบ้า น, บ, านบ้านที่เราไปปฏิบนะัติเนี่ยถ้ามีปัญหากรอกน้ําเสียหรืออะไรปัญหาที่บ้านค่ะพอดิน พอดีหนูให้ลูกตาลแจ้งไปว่าเออมันมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมระดับสี่อะค่ะก็เลยขอเลื่อนล่างๆหน่อยเขาก็จัดให้ค่ะอืมใช่ที่หนูที่หนูไปหาไปเจอหนูนั่งไม่ได้เพราะข้อเข่าข้างขวาเสื่มอมเราได้รักษาแบบแบบประครับประคองไม่ผ่าตัดประครับประคองไปก่อ น, นค่ะใช่ธรามโอสถดีกว่าค่ะก็ยังยังกลับมาเดินได้มีอยู่ช่วงที่หายไปไม่ได้ไปกราบท่านนะคะช่วงนั้นเดินไม่ได้เลยค่ะอืม แล้วก็กลับมาเดินได้ดีขึ้นไงค่ะเมันก็ขึ้นๆลงๆในเรื่องนั่งใจอนิจจ์ก็หนูก็าไม่เอาใจไปอยู่กับมันนะคะเอทํำทาที่ทําาทท่ี่เราทําได้ค่เอาใช้เป็นเครื่องมือเครื่องมือปัดทุกค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะมาจัารขอบขอบอบคุณค่ะคุณชันนี่เป็นยังไงอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ย มีครอบครัวหรือเปล่าไม่มีครอบครัวค่ะพระอาจารย์<ม>อยู่กับคุณแม่ค่ะเออเหมือนกันเนยสองคนน่ยแม่ลูกเนีใช่ค่ะดีวันอาทิตย์นี้ก็จะไปขึ้นเขาค่ะเอาไปขึ้นเขาจ้ตงจ้างไม่ต้องเลยต้างไปแล้วค่ะพระอาจารย์พาคุณแม่ไปด้วยป่ะคุณแม่คุณแม่ไปอยู่พัทยาแต่ไปอยู่คอนโดค่ะคุณแม่เขายังกลัวไม่กลัวป่าอะไรเงี้ยค่ะแกไม่กล้าอยู่คนเดียวนี่ก็แบบ ก็อาจจะแบบว่าขอไปได้นี่ก็แกก็แบบไม่กล้าอยู่คนเดียวค่ะขนาดอยู่ทีอยู่ที่คอนโดแกบอกกลัวกลัวเป็นลมกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะออแต่ก็เลยแบบขอว่าน่าจะไม่เป็นอะไรน่าจะไม่เป็นอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอไปปฏิบัติสักประมาณสองสามวันดีแกจะฝึกอยู่คนเดียวบ้างเบอกบอกแม่เหมือนกันว่าจะได้ลองฝึกอยู่คนเดียวเผื่อนหนู เ, ออเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเวาาก็อยู่คนเดียวมันตลอดเนแ่ยอย่างเราเป็นอะไรก็ไม่รู้จะเลยวิ่งหาใครต้องใช้อัตตาหิอัตโนนาถูกทยรักษาใจอย่างเดียวรักษากายไม่ได้กันต้องไปผ่าแพทย์แต่ตอนให้ตอนให้เปอยู่คนเป็นสิบเป็นร้อยรอบข้างถ้าถ้าร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ไม่มีใครช่วยเราได้หรอกใช่ค่ะตอนแรกหนูก็เป็นห่วงนะคะพราะแม่พูดอย่างก็แบบตอนแรกก็กังวลยิ่งเป็นห่วงแต่ก็ คิดได้แบบที่ที่พระอาจารย์พูดเลยค่ะต่อให้แบบถ้าแบบมีอะไรที่เกิดที่แบบจะไปจริงๆอ่ะต่อให้เราอยู่เป็นร้อยคนเราก็ทําอะไรไม่ได้ใช่เป็นเวลามันจะไปเตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีกว่าจะได้ไม่ทุกข์ไม่เครียดกับมันใค่ะก็พยายามกล่อมกล่อมคุณแม่ไปเรื่อยๆค่ะเค okay, มีอะไระไหวันนี้ ไม่มีคําถามค่ะขอให้พระอาจารย์ทักขันแข็งแรงนะคะโอเคไปใช้คุณหมอพัฒนาต่อคุณหมออ่ากลับนเมื่อสกครงค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกสงบค่ะพระอาจารย์แล้วก็พี่หนุ่มก็มีกําลังใจมากขึ้นยิ่งไปที่วัดแล้วก็ปฏิบัติก็รู้สึกแก่รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีแล้วอาทิตย์หน้าอัดไม่ได้เข้านะคะเพราะว่าจะไปส่งลูกแล้วก็จะไปอยู่วัดค่ะ ก็ไปวัดที่ไม่เคยไปลองก็คือไปอยากไปเนี่ยค่ะอาจารย์เขาให้ทําอะไรก็ทําเดี๋ยวกลับไปรางอาจจะไปเป็นเจอเพจน้ำหนึ่งเดินไปรู้สึกตัวก็ได้ก็ดทีคนไม่รู้จักส่วนใหญ่จะเป็นวัดเพจน้ำหนึ่งสมัยที่เราไปวัดบปอยู่วัดปากวันตากก็ไม่มีใครรู้หรอกหลวตาเป็นใครคนใหญ่ ก็แค่ว่าเห็นบอกว่าท่านถ้าเจ้ว่าท่านดูดก็เลยก็ชอบเลยค่ะอาจารย์ก็ลองไปเลยค่ะอาจารย์ไม่ยังไม่เจอท่านแล้วนี้เดี๋ยวจะไปเลยก็ไปซื้อผ้าไปแค่สมชุดเหมือนที่พระอาจารย์สั่งสอนเอาไว้ค่ะต้องน้อยสั่นโดดเดวนี้สบายเลยพระอาจารย์ไปไหนตัวปิลแค่สามชุดคริการยแปดอ่าเออแค่แปดชิ้นก็พอค่ะไม่เอาไม่เอากดไปด้วยนะคะพระอาจารย์นั่งสบายไม่ปานค่ะที่ที่ท่านมีอยู่สองวัดที่พิ๊นซูโรนั้นมีสองวัดป่า อ่านหนูนี้ไปยอนหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมารายงานค่ะเผื่อจะเจอเพื่นน้ํานึงจะได้มามาบอกเพื่อนฝูงกัน <c oughs> ค่ ะ, ะอาจารย์ตั้งใจเลยค่ ะ, ะอาจารย์ถ้าให้ทําแล้วก็ทําเตรียมรู้สึกว่ามีเพื่นน้ำหนึ่งอีกเยอะเนี่ยที่ไม่มีใครรู้จักต่อไปท่านก็จะค่อยๆเป็นที่รู้จักกับเราเองพอ <c oughs> ครูบาอาจารย์รุ่นรุ่นเก่ารุ่นเก่าค่อยหมดไปรุ่นใหม่ก็จะขึ้นมาแทนที่ แต่ก็ได้อย่างที่พระอาจารย์สั่งสอนนะก็ได้อ่านประวัติได้อะไรก็ได้เตรียมตัวไว้ก่อนว่าเออท่านท่านมาแนวก็คือมาแนวพระอาจารย์เลยคนะ่ะมาแนวเดียวกัน<ม>ฉันฉันมือเดียวอะไรก็เหมือนกันเลยก็คือเหมือนกับมือนก็ทํากับพระอาจารย์อยู่ที่พระอาจารย์สั่งสอนแล้วก็ไว้ใช้ที่นั่นเลย<ม>แล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวกลับอะไรงานนะคะอาจารย์ไปอยู่พี่หนุ่ไปด้วยนะคะไปอยู่โรงพักอาจารย์โอเคหรังว่าคงจะได้อะไรกลับมานะไม่มากก็น้อย ค่ะพระอาจารย์ขอพอบคุณมากค่ะพระอาจารย์ตั้งใจเลยค่ะพระอาจารย์อตอนนี้มีความกล้าเต็มที่ค่ะพระอาจารย์คุณหมอใหม่ไหไปไหนมาไม่สะดวกงานเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้เลิกสองทุ่มบ้างสี่ทุ่มบ้างเข้าไม่ทันแล้วก็มีไปวัดที่เชียงรายค่ะอืก็เลยไม่ได้เข้าหายไปสองเดือนเจ้าค่ ะ, คะ เน่ตอนนี้คุณหมอวีพยายามรณรงช่วยพวกหมอทั้งหลายทำงานหนักแต่ค่าตอบแทนมันไม่ไม่คุ้มค่าเลยชวงนี้ก็อดทนไปค่ะโควิดด้วยอะไรด้วยก็ช่วยเขาตรวจค่ะก็หนูหนูรู้สึกว่าพองานมันเยอะๆเราบางทีระหว่างวันมันมันเมนเทนระดับสมาธิ ไม่ได้แต่ก็ใช้การพิจารณาช่วยเอาเจ้าค่ะก็เหมือนหนูก็ดูไปตรงๆบางทีมีอะไรมากระทบมันมีถ้าเราปุงแต่งต่อมันก็จะรู้สึกวมีความหนักเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนกระทบแล้วจบมันก็ใจมันก็จะเบาๆอยู่อย่างเงี้ยปล่อยเป็นไปมันผ่านไปแล้วค่ะเหมือนเสียงลคันตีครังปั๊บมันนังแล้วมันก็ผ่านไปแล้วยาวกลับมาตีอยู่เรื่อยๆค่ะ รู้สึกว่าหนูหนูรู้สึกว่าคือช่วงที่งานมันเยอะมากค่ะมันมีอาการล้าแล้วมันมีเหมือนกับความเครียดของทางร่างกายที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าหนูก็เหมือนกับอยู่แบบที่พอาจารย์บอกคืออยู่แบบวันต่อวันไปเลยค่ะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าถ้าถ้าเราปรงแต่งต่อก็คือการแบก สิ่งที่มันจบไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเครียดไปเปล่าๆไม่เกลดประโยชน์อะไรค่ะก็เลยอยู่รอดมาได้ค่ะจนวันนี้ยเป็นวันวันหยุดก็เลยได้มีโอกาสมากราบผ้าจารย์ค่ะแล้วก็ตอนที่ไปที่เชียงรายก็คือไปงานบวชของน้องชายค่ะก็ตอนนั้นก็เป็นเป็นเป็นวัดป่าที่ไม่มีสัญญาณมือถือค่ะก็เงียบสงบมากก็ได้ได้โอกาสในการปฏิบัติค่ะแล้วก็ เหมือนเพิ่งได้รู้จักคำว่าอจุภากรรมฐานจริงๆแบบครั้งแรกที่ตรงนั้นนะคะคือเหมือนกับว่าตอนนั้นหนูเริ่มจากการที่รู้สึกถึงกระเพาะแล้วมันก็มันก็เหมือนกับมันรู้สึกขึ้นมาว่ามันมีอาการค่อยๆเน่าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นมันเหมือนมันออกจากสมาธิไม่ได้แต่ว่ามันรู้สึกตัวอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มันเห็นร่างกายมันเน่าเ่าไปแต่ว่าใจอ่ะมันมีปิติสุข ในการแนะน้ขณะ น, ข น, นั้นอะนะคะ mm hmm. แล้วมันก็รู้สึกพอออกจากกรรมาฐานมามันรู้สึกว่าเราเหมือนเราโงา่แบบมันรู้สึกว่าเหมือนเราทําอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหาอะไรอยงี้ค่ะมันสุดท้ายแล้วมันจะต้องเสียไปหมดอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยรู้สึกรู้สึกว่ามันไม่มีความเหมือน ไม่ได้อยากได้ตําแหน่งอะไรไม่ได้ไม่ได้อยากรวยอะไรอะไรแบบเหมือนสมัยสมัยอดีตอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้ไม่ได้คือใครเขาโยนงานอะไรมาให้ก็อก็ทําทําไปแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องการผลอะไรจากจากงานที่ไม่ได้ต้องการแบบทำงานหน้าที่ไปใช่ใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบอยากได้อยากดีอะไรอย่างนั้นนะคะรู้สึกว่ามัน สุดท้ายแล้วมันจะมันจะจบไม่ไม่เหลืออะไรเลยค่ะแมก้กระทั่ทงร่างกายเนี่ยรูึกว่าเหมือนออกจากเซสชันนั้นรู้สึกว่าเหมือ น, ออ เ, น, น, นเหมือ น, นเราโง่โง่งอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนี้เราเห็นความจริงนะทำให้เท่งแท้แน่นอนของร่างกายก็เพียรไปเรื่อยๆค่ะฟังพระอาจารย์อยู่คือหนูชอบที่ที่เวลาที่งานมัน ประเดบดังมากๆเลยค่ะหนูจะหนูจะใช้คำที่พระอาจารย์พูดตลอดเลยว่าเออมันไม่มีอะไรมันมีแค่มืดกับแจ้งอยู่แบบวันต่อวันวันต่อวันไม่ต้องคาดหวังอะไรแบบเหมือนกับเคลียรเคสไปให้หมดไปแต่ละขณะแก้ปัญหาไปแต่ละขณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สุดท้ายมันก็จบอยู่ดีค่ะอะไรไปไม่ได้เลยใช่ค่ะพระอาจารย์ คนรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนกับว่าพอมันเห็นช่วงสองเดือนที่หนูหายไปอ่ะคะ่ะคือหนูสึว่าหนูเห็นความทุกข์เยอะมากเพราะว่าทั้งเป็นเรื่องเรื่องของเคสที่มันเยอะขึ้นเคสที่มันหนักขึ้นหรือว่างานที่เขามาให้หนูรับผิดชอบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใจหนูว่ามันมันไม่ได้ดิ้นรนไม่ได้ ไม่ได้ผักใสเหมือนเหมือนเมื่อก่อนอะไรค่ะหนูก็ยอมรับก็ทําไปทําไปเคลียร์ไปอะไรอย่างนี้ค่ะก็ยังพอเลิกจากงานมาหนูก็ยังมานั่งสมาธิอะไรค่ะบางทีนั่งไปแบบกายมันล้ามากหนูก็สับระงกไปเลหนูก็หนูก็นั่งไปทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ยค่ะอาจารย์ก็ทําได้เท่าไหร่ก็ทําไปค่ะก็ พ, <ม>พยายามทําทุกวันค่ะอื ว่าดีค่ะแล้วก็หนูระหว่างวันหนูเพิ่มการเดินนะคะก็เพราะว่าช่วงเวลาเดินจงกรมหนูมันมันหายไปหนูก็เลยเดินระหว่างวันหนูก็ไม่ได้ใช้ลิฟต์หนูก็เดินขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดูดูกายไปะคะ่ะมีสติอยู่การเคลื่อนไหวค่ะดีวันนี้หนูวันนี้หนูดีใจมากเลยคะ่ะที่หนูได้ได้เข้ามาหนูได้ชัดแดด หนูขอให้พระอาจารย์พานขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะอยู่อยู่ไปอีกนานนะจนกว่าหนูจะฉลาดวันนี้โอเคอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้โอ้ใจสลายเลยออเวลามันจะเกิดมันก็เกิดนะเขาพรุนี้บางทีอยู่ดีๆมันก็โผล่ขึ้นมามันฟ้ารับเข้าใจเนาะค่ะเพียงแค่วิญญาณทีเดีเห็นอะไรปึ๊บเห็นอะไรเต็มไปหมด เหน็นอะไรชัดเจนขึ้นมาทันทีความหลงมันหายไปแค่ว บ, บเดียวมันทำให้เราเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเข้าใจเลยครับอาจารย์พยายามฝึกสติสมาธิปัญญาไปเรื่อยๆก็แล้วกันค่ะใช้ทุกวันให้ให้เป็นประโยชน์เจ้าค่ะอาจารย์ค่ะโอเคแล้วก็หนูหนูหนูขออนุญาตปรึกษาเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะคือว่าคือเหมือนกับว่าหนูกับ แฟนเนี่ยค่ะคือเหมือนก็ใช้ชีวิตอยู่แต่ว่าเหมือนกับเป้าหมายคือเราก็อยากที่จะคนถูกอะไรนะค่ะแต่ว่าบางทีมันมีภาวะบีบคั้นจากพ่อแม่หนูพ่อแม่แฟนอะไรค่ะเรื่องแบบการมีทายาทอะไรค่ะซึ่งแบบว่าหนูหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นบ่วงที่ที่มันหนักมากถ้าถ้าสมมุติว่ามีลูกอะไรค่ะแต่ แล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาใช้คำคือเหมือนกับว่าบางทีหนูก็ไม่หนูก็ตัดสินใจไม่ได้ค่ะว่าแบบถ้ามีลูกแล้วพ่อแม่จะมีความสุขมากแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอะไรเงี้ยหนูก็หนูก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงอ่ะหนูก็หนูก็อยากปรึกษาพาจาว่าหนู หนกคนมีญายาทไหมก็ดูพระพุทธเจ้าเนี่ยพอได้ข่าวว่าภรรยาคลอดลูกก็หนีอะไร ด, ดีกว่าบ่วงเขาบอกบ่วงจำไม่ได้เลยลูกมันเงินบ่วงเนี่ยสุขมันก็แต่ว่าจะเป็นสุขมันก็เป็นบ่วงอยู่เี่ยมันจะผูกพันใจเราไปตลอดถ้ามันดีก็เราก็มีความสุขไปกับมันถ้ามันไม่ดีก็เราก็ไปทุกข์ไปกับมัน เราไม่ช้าก็เลย ม, มันก็ต้องจากออกไปเราจั่งมันไปมันก็ทุกอยู่ดีเอไอพิจนาให้เห็นทุกข์แล้วมันไม่ต้องไปสนใจใครเขาคิดยังไงถ้าเป็นทุกข์แล้วไม่เอาเั้นนั้นเหมือนถ้าเห็นว่าเครื่องดื่มชนิดนี้เป็นยาพิษนี่คุณจะกล้าดื่มไหมถึงแม่พ่อแม่จะบอกดื่นถ้าไม่เป็นไรหรอกคุณก็ไม่เอาใช่ไหมเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวพ่อแม่ไม่เกี่ยวเข้าใจไหมค่ะ ไม่ต้องไปเริงใจเนี่นี่ไม่ใช่เป็นความกระตันยูหรืออากระตันยูแต่อย่างใดค่ะได้คําตอบแล้วค่ะพะอาจารย์คือหนูไม่อยากมีเ อ, อหนูรู้สึกว่าถ้าหนูหนูตายหนูก็ไม่ไม่เป็นไรอะ่ะตายคนเดียวหนูก็ไม่เป็นไรนะตายอยู่บ้านก็ไม่ไม่เป็นไรอ่ะอืมถึงแม้มันจะตายมันก็ตายคนเดียวอยู่ดีอมันตอให้มีคนเป็นร้อยมันก็ช่วยวเราไม่ได้แร้วใช่ไดหมใช่ค่ะค งั้นอย่าไปหวังเพิ่งโรคอีกสมัยนี้เด็กสมัยนี้ไม่มีใครสอนความกระตันยูเป็นเท่าไหร่อาจาย์ได้เรื่องดีกับกันต้องมาทุกกับลูกเพราะความกระตันยูของเขาก็มีเพราเราเขาเขาจะบอกพ่อแม่ไม่เขาไม่มีบุญคุณพ่อแม่ไม่มีบุญคุณของเขาพ่อแม่มีเขามาก็เราะก็ อ, อยากเขาอยากจะเสพกามอี้ไม่เห็นบุญคุณของเราเลยออืค่ะอาจารย์ ก็หนูหนูหนูก็จะได้หนูหนูจะขออนุญาตพูดกับพ่อกับแม่ว่าหนูปรึกษาพระอาจารย์แล้วเพราะฉะนัไม่มีดีกว่าหนูจะได้หนูจะได้บอกบอกแล้วปรึกษาแล้พระพเจ้าดีกว่าถามพระพเจ้าพระเจ้าบอกไม่ดีดีกว่าเป็นบวงค่ะค่ะหนูหนูกับแฟนก็เห็นตรงกันค่ะแต่ว่าบางทีมันก็ มันก็หนักใจอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับเขาก็เขาก็มีความเชื่อของความเป็นมนุษย์นะคะว่า mm. ว่าเออมันจะต้องคืกุลใช่ใช่แล้วสิ่งต่างๆที่ทามาอะไรเงี้ยคือแต่ใจหนูกับใจแฟนมันไม่ได้ mm. ไม่ได้มีความรู้สึกห่วงอะไร mm. อะไรอย่างนั้นนะคะอืมเราก็รู้สึกว่าถ้ามีลูกก็คงจะคงจะต้องคนจะต้องทุกอีกทุกกับลูกอีก ใ่ ม, มีตักก็มีนี่อ่่อจะเรียกมันโตเนี่หมดไปกี่ล้านเน่ค่ะใช่ั้มใช่ค่ะใช่อืมเราันก็้องให้ดีมันไม่มีสุขสุขมันน้อยกว่าความทุกข์ทุกข์กนี้กองเท่าภูเขาก็มองไม่เห็น ส, สุขสุดแค่ของทุรีนั่นเองค่ะดีใจที่ได้กลับพระาจาย์วันนี้ค่ะรู้สึกได้ช์จแบตเดี๋ยวเอาไปสู้งานต่อโอเคค่ะ อย่าวังอะไรทําหน้าที่ไปได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นค่ะก่าบแพ้จา์ค่ะวันนี้หนูหมดคำถัดสงสารได้ข่าวพวกหมอนี่ทางานหนักหนักแต่คนไข้กับไม่เห็นคุณบุญคุณของคุณหมอใช่ใช่ไม่ไม่เป็นไรหนูหนูหนูชินแล้วค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามีหน้าที่รักษาก็รักษาส่วนเขาเขาก็ ก็เป็นคนไข้ก็คือคนไข้อย่างเงี้ยค่ะ hmm. หนูไม่ได้คาดหวังคําชมบางโรงพยาบาลเขาจะเหมือนกับเก็บสถิติว่าหมอคนไหนได้รับคําชมมากก็จะดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งหนูรู้สึกว่างานหนูมันเป็นงานงานงานมะเร็งซึ่งเวลาเราคุยกับเขามันส่วนใหญ่มันจะเป็นข่าวร้ายซึ่งหนูจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับคําชมอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ไม่ บางทีอาจจะไม่ใช่ปู ด, ดอกเตอร์ในใน KPI ของโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่หนูก็เฉยเยเพราะหนูรู้สึกว่าหนูต้องทำหน้าที่ตามตามมาตรฐานแล้วก็แล้วก็เหมือนกับใช้ธรรมะในการช่วยดูแลเขาอะไรเงี้ยค่ะส่วนส่วนคนคนไข้มะเร็งเขาทุกข์หนักอยู่แล้วบางทีเขาก็ไม่เหลือแรงจะไปชมใครก็ก็ปกติหนูก็หนูก็เฉยเยหนูไม่ได้รู้สึกอะไรกับคำชม เจ้าค่ะอาจารย์เขามีเขามีแบบฟอร์มไม่กรอกเลยนีเขาจะมีเป็นเป็นเหมือนใบประเมินค่ะ <c oughs> ใช่ที่ให้ให้คนไข้ <c oughs> เขาได้ประเ <c oughs> มาณนะใช่ค่ะต่อส่วนใหญ่ของหนูจะเป็นลักษณะเออคุณหมออธิบายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าแบบว่าบางบางครั้งการประเมินในในเคสมะเร็งบางทีเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรมาเพราะว่าบางบางครั้งเขาก็ยังรับ ตัวเองกับสภาพที่เขาเป็นอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ย <Ừ. S 2> หนูก็หนูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรว่าเขาจะมาชมแต่หนูรู้สึกว่าหนูรักษาตัวโลกแล้วหนูก็พยายามนําธรรมะมาอธิบายเขาว่าสุดท้ายแล้วกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตกายก็รักษาไปอะไรเงี้ยรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็ประคองประคองกันไปอะไรเงี้ยค่ะในใบประเมินนี่เขาไม่บังคับใช่ไหมว่าจะต้องต้องประเมินหรือไม่ประเมิน เขาเขาส่งให้ทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้บังคับว่าต้องประเมินหรือไม่ประเมินบางคนก็ไม่ไม่ไม่ไม่เขียนไม่อะไรใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะทําต่อไปสู้ต่อไปค่ะทั้งทางทําทั้งทางโลกนะกลับไปจ้าโอเคไปที่คุณนิสาต่อเอาเอเห็นภาพอะไรเห็นภาพพระองคที่อะไรนึกนึกถึงสารานึกถึงอดีตที่เคยคไปอยู่บ้านนั้น ค่ะก่าในมรดกการค่ะพระอาจารย์ค่ะลูกลูกชอบมากค่ะบรรยากาศนั้นนะคะอาจารย์ค่ะนึกถึงว่าแล้วลูกก็ย้อนดูอ่าคลิปเก่าๆตลอดนะคะที่เขาเอามาให้อ่ะคะ่ะก็ยังนึกถึงตลอดนะคะพระอาจารย์ก็ดูของใหม่กับของเก่าสลับไปะคะ่ะพระอาจารย์ แ, <ต>แล้วแต่เริ่มงโควิดแล้วก็ไม่ได้อยู่ข้างบนเลยย้ายลงมาพอเขาปิดทะนขึ้นไปไม่ได้เราก็ต้องลงมา แต่ก็เกิดก็ยังรักษาไว้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ยังรักษาอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็เป็นโลง่โลงๆไม่มีไม่มีพระไม่มีพระไม่มีพระพุทธรูปไม่มีรูปภาพอะไรแล้วใช่ไหมคะอาจารย์รู้สึกเขาเก็บไว้ไหมเพราะมันต้องคอยดูแลรักษาแล้วก็เลยไม่ได้มีตั้งไว้อาจจะมีแต่พระพุทธรูปอยู่อ ง, องเดียวมั้งอ๋อค่ะอาจารย์ก็เคยทราบประวัติว่าอันนี้ค่ะว่าแบบเออเป็นสิ่งที่แบบเป็นมงคลชาวบ้านเขา เขาสร้างะเอาเอาไม้ขึ้นมาอะไรใช่ไหมคะสมัยแล้นยังไม่มีถนนตอนที่เขาเขาต้องเดินขนขึ้นมาเดินทางป่าขึ้นมาอแลวในในหลวงรัเกาลเสด็จใช่ไหมคะเออเสด็จมาดูโครงการท่านต้องการจะพัฒนาบริเวณรอบวัยาณให้เป็นให้ให้ให้อยู่ดีกินดีขึ้นเน่ไอคิดเรื่องทำทำอ่างเก็บน้ำทำชลประทานทำโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ อ่ะอ่ะก็ดีค่ะดูแบบเออรู้แล้วแบบแล้วมันล้มลื่นมากๆเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ก่อนพระอาจารย์ก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะอยู่ข้างบนเขาไปอยู่วันนั้นนับปีสามศูนย์นี่อยู่ตั้งแต่แบบไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็ไม่มีไม่มีอ๋อค่ะอตอนนี้พระที่อยู่ก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีไม่มีน้ำประปาก็ไม่มีต้องอาศัยรถบรรทุกน้ำ ขนเงินไปเทสใส่ที่ห้องน้าส่วนกลางออตามกกติก็ต้องรองน้ำฝนกันไปใช้เงินไปตามมีตามเกิดทุกเช้าก็ต้องเดินลงมาเช้าเช้ามืดสมัยก่อน<อ>พระอาจารย์ต้องเดินลงมาจากข้างล่างาเ อ, อยประมาณส<ช>นะา ม, ามากิโลครึ่งประมาณสักสี่สิบห้านาทีค่ะแล้วตอนนี้พาะสงที่อยู่จำไว้อยู่ข้างบนก็ต้องเดินลงมาเหรอคะใช่ทุกคนต้องเดินลงมา โอนอกจากว่าถ้ามีสรัทธาญาติโยมไปขอปฏิบัติธรรมด้วยบางทีเขามีรถเขาก็เอาขับรถลงมาก็รับผ้าลงมาบางบางฝูงอ๋ อ, อ ไ, มไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้เอ็นรถรถคล้ายๆรถบัสที่ไม่มีไม่ ม, ไมีไม่ต้องการให้เป็นพระละของทางวัดอ๋อค่ะโอ้แล้วก็ต้องมาเดินดิ่งผ้าดิงเดินทุดดงเลยอือถพระพระแต่แต่ละท่านแต่ละองค์แบบ มไม่อ้วนเลยค<ต>่ะเอ่ทุดงแบบไม่ได้ถ่ายภาพมาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะอืมอ่าก็เดินในที่มืดแจ่มมืนยังไม่สวา่างไปข้าไปข้างถนนก็ไม่มีอ่าอืมก็ยังไงอแต่แต่ก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเหมือนเหมือนเดิมอยู่ทุกอย่างออันนี้เขามีภาพอยู่สิบกว่ารูปนะสิบกว่ารูปเหมือนเดิมอืม อยู่กับธรรมชาติดีค่ะกลับไปสู่สมัยพระพุทธกาลนะคะเออได้เละธรรมะจะเกิดในสถานที่แบบนั้นคงเงียบสงบมากมากค่ะที่ไหนที่สะดวกสบายนี่ธรรมะเกิดยากจริงค่ะพระอาจารย์ที่ไหนทุกยากลบาที่นั่นน่ะเป็นที่เกิดของธรรมะค่ะจริงจริงจริงแท้แน่นอนค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์สําหรับลูกก็ ลุ้มลุกคุกคานไปค่ะแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มันก็มีมีสติหลุดบ้างค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันก็มีเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาอีกมารบกวนจิตใจค่ะพระอาจารย์ต้องพยายามตัดมันให้ได้ใช้ปัญญาคอันนี้จังทุกขังอันนั้นตาไม่มีอะไรถ้าเห็นว่าเป็นอันนี้จังเป็นอนั้นตาเดี๋ยวก็มันก็ปล่อยได้เดี๋ยวไม่ก็จบเรื่อนอะไรก็เดี๋ยวนที่สุดก็แยกกันไปคนละทางไปค่ะ บางครั้งมันมันมันมันคิดตอนจบคิดได้ตอนจบไปแล้วค่ะพระอาจารย์ตอนที่ค่ะ <c oughs> เวลานังมวย อ, อยู่บนเวทีนึกไม่ know, ออกว่าจะทำยังไงต้องพระอาจารย์ต้งเวลาเขาพักระฆังก่อนตีระฆําพักก่อนถึงว่าพเวลามาต่อยตามว่าควรจะทําอะไรดีค่ะพระอาจารย์ส่วนอย่างเจะคิดได้อย่างเวลารู้สึกว่าแบบเวทนาอย่างคะ่ะพระอาจารย์มีอาการแบบ เมทนาหรือว่าอะไรเงี้ยพอมันจะรู้สึกมันจะเข้าใจหลังจากที่มันเมทนามันหายไปแล้วอะค่ะพระอาจารย์ก็โอเคก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะค่ะคระอาจารย์ก็ให้พระอาจารย์รักษาธาตุขันธ์นะคะให้หายไปเร็วนะคะอสาธุจ้ะสาธุค่ะเอะคุณแนนต่อนายบุญดอนธานี น้อมกอดนมาสการค่ะพ่อจ้าลูกไม่มีคําถามแล้ค่ะโอเคเงี้ยไปที่คุณหมอเนี่ยกับคุณหมอตา้าเมื่อสวันก่อนมีพยาบาล <บา S 2> จากชนบุรีม า, <อ> ม, ามาทมําบุญที่วัดที่วัดเขาบอกรู้จักหมอตา้าเนี่ยอ๋อครับครับผมครับก็ผมอ า, อาจจะจะอยู่อยู่มาค่อนข้างนานแล้วครับก็ทํางานมา มาย้ายมาที่นี่ก็ตั้งแต่สมัยยังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่เลยครับอาจารยแต่เคู้จักหมอ อ, องหมอ อ, องหมอฟันรู้วยจักไหม <c oughs> คุณหมอฟันชื่อหมอหม อ, อองนะครับเอ่อหมอ อ, องเนี่าถ้า ถ, ถ้าได้รู้ชื่อจริงอาจจะพอรู้ออกครับแต่ถ้าชื่อเล่นอ า, อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นครับก็มีหมอฟันเยอะเลยครับเคยอยู่ที่โรงพยาบาลวัดยางมา ก, ก่อนอ๋อครับครับ อ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปทําความรู้จักกันอ๋อไม่เป็นไรหรอกเพลงเดี๋ยวไม่เป็นไรครับคุณหมอเยอะครับพระอาจารย์ยังรู้จักกันไม่ทั่วถึงเลยค่ะใช่คนละแหนกด้วยยิ่งคนละแหลกด้วยครับผมเปิดว่าถ้าทางธันตกรรมเนี่ยเขาก็จะมีสองฝั่ง้วยครับจะมีฝั่งคล้ายคล้ายเป็นโรงพยาบาลอชุมชนเมืองอย่างเงี้ยครับว่าคนไข้จะได้เข้าหาสะดวกครับก็อาจจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยครับกันพะอาจารย์ครับวันนี้ก็ วันนี้ก็ไม่ได้มีคำถามอะไรครับ ก, ก็ขอให้พระอาจารย์ทัดขันันแรกชิดต่อทำทาให้เกิดปัญญาไปเรื่อยๆกนแล้วกันน ะ, ะก็ภาวนาแล้วก็ตอนนี้ทำสมาธิแบบ เ, เกินสามสิบนาทีแบบสามสิบถึงหกสิบนาทีได้ต่อเนื่องกันเกินหนึ่งเดือนแล้วคะ่ะพระอาจารย์เออดีพยายามรักษาไว้นะ ค่ะรักษาสติไว้ค่ะรักษาพยายามไม่ให้น้อยไปกว่านี้ค่ะโอเคสาธุพระธาตุแข็งแร ง, งนะคะโอเคอยยแต่คุณโยมหญิงวิไลพรเป็นยังไงกลับนมรดการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะพระอาจารย์อินเทนะคะเป็นวัดด้วย <laughs> พระอาจารย์ท่าแ น, นแข็งแรงนะเจ้าคะ่ะ ก็มันก็เป็นไปตามตามสภาพของวันน่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้คนไอกันทั่วเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วที่โยมหญิงไอเมื่อครั้งที่แล้วที่รายงานพระอาจารย์ว่าทิโยมไอหนักมากแล้วก็ทําสมาธิอะค่ะแล้วไอหนักจนต้องไปหาหมอค่ะพระอาจารย์สรุปแล้วเป็นปอดอักเสบค่ะเป็นฝ้าที่ปอดแล้วก็มีจุดที่ปอดอืแล้วพอหมอบอกก็ก็โยมก็เฉยๆอะค่ะแล้วคุณหมอก็ให้ทานยาแก้อักเสบตอนนี้ก็หายหมดแล้วค่ะพระอาจารย์ฝ้าหายแล้วจุดหายแล้วเจ้าค่ะ แต่ก่อนหน้านู้นเลยอะคะ่ะโยมก็มีก้อนมีก้อนที่ปอดตอนนู้นประมาณประมาณหกเซนได้บังคะแต่ก็แต่ก็หายพระอาจารย์ทานยาก็หายแล้ว ก, ก็กลับมาอีกพระอาจารย์เหมือนกับว่าเราพอเราไอหนักอะคะ่ะ<ม>ไอหนักมันก็กลับมาอีกเป็นปอดอักเสบโยมว่าเกี่ยวกับวัคซีนบางเจ้าค่ะฉีดวัคซีนแล้วมันเลยอะไรอะไรเดี๋ยวนี้ก็ลงปอดง่ายบางเจ้าค่ะโยมคาดว่าแบบนั้นอะไรกระท้นว่าเคลียไว้ก่อนนี่ <laughs> เมื่อก่มันไม่เป็นนะพะอจารเดยวโยมเห็นส่วนใหญ่ทุกคนก็ลงปอดกันหมดเลยค่ะเสียชีวิตด้วยการลงปอดลงปอดกดข้างบ้านนี่ก็สองลายแล้วเจ้าค่ะลายสองลายค่ะ ท, ที่ที่พอรู้ขีก็ปอดอักเสบแล้วก็ไปเลยเจ้าค่ะอืของโยมก็ก็โชคดีตอนที่โยมเป็นเป็นต้อนที่ปอดครั้งที่แล้วค่ะ พอหลังจากที่ก้อนหายอะค่ะประมาณโยมทานยากแก้กเสร็จอยู่สามเดือนแล้วพอหายเสร็จแล้วหมอะคะ <c oughs> ่ะเขาก็แนะนําให้โยมฉีดวัคซีนแก้ปอดอักเสบเจ้าค่ะฉีดไปสองเข็มห่างกันปีหนึ่งแล้วก็พอครั้งนี้ที่โยมเป็นปอดอักเสบก็ไม่ค่อยมีอาการเลยรเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> หมอก็เลยบอกว่ามันเกี่ยวกับการที่เราฉีดวัคซีนครั้งที่แล้วก็เลยทําให้อาการเราคือคื อ, คอเบาอะค่ะเจ้าค่ะอแต่ก็เชื้อติดหายหมดแล้วเจ้ค่ะพระอาจารย์ <c oughs> แต่โยม เวลาหมอเขาบอกไปอะไรโยมก็รู้แล้วก็ใจก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นอะไรเลยค่ะอืมตามคําสอนพระอาจารย์เจ้าค่ะใช่มันต้องมามันต้องม e ีมาใหม่อยู่เรื่อยๆอยต้องคยก้าเ ช, <10. S 2> ใช็ใช่ใช่เจ้าค่ะก็โยมก็โหมาโยมก็คิดว่าโอ้กลับมาอีกแล้วเหรอก็ต้องรีบเพียรปฏิบัติให้มากขึ้นเจ้าค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันป ป, ปับจะมาก็มาจะไปก็ไปเจ้าค่ะเวลามันน้อยมากไม่มีใครรู้อย่างชาเช้านี้ มีอมีอ ม, อมาใส่บ่ายเขาเป็นแม่ค้าขายกับข้าวเ้าก็บอกอยู่ดีดีสามีเขาก็ตาย อ, อาอยุก็ยังไม่มากดูท่าทางเขาไม่เกินสี่สิบเอี่ยเค่ะเวลาน้อยค่ะเ้าก็ไม่เคยคาดฝันว่าสามีเขาจะ ต, ตายตอนนี้เลยแต่ที่เวลามันก็ตายได้ใช่ค่ะพระอาจารย์าทุกวันนี้โยมต้องพยายามเร่งภาวนาอยู่เจ้าค่ะโยมชอบพระอาจารย์เทศที่บอกว่า เอเอให้ให้บดทุกก็จะค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าสมัยก่อนที่คนมาถวายพระพุทธรูปแต่แด่พระพุทธองค์อ่ะค่ะแล้วพระพุทธองค์ทรงตัดว่าพระพุทธรูปไม่ใช่เราเราไม่ใช่พระพุทธรูปเราคือพระธรรมถ้าถ้าจะกราบเราก็คือให้กรากบที่พระธรรมแล้วก็ให้ปฏิบัติบูชาเจ่ะต้องปฏิบัติวิธีเข้าถึงพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคือจะเห็นธรรมพุทนั่นเห็นเราแต่ทาคนเนี่ย แล้วค่ะพระอาจารย์ยมชอบมากเลยค่ะพระอาจารย์ยมกับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะยมชอบฟังธรรมพระอาจารย์มันมันเข้าไปในใจแล้วก็มันฟังง่ายเข้าใจง่ายไม่มีอะไรยากเลยเค่ะอืมดีค่ะอาจารย์ักษาถาถ้ขันนะเจ้าค่ะจ้ิาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา ไปเที่ยวกันค่ะพระอาจารย์คืควอคว่าไม่คือว่าไม่พาพามาเพราะต้องนั่งสมาธิก็นั่งได้ปะ ก, ก็ก็ได้อยู่ค่ะพระอาจารย์เวลาไปไปหาพระอาจารย์ก็คือได้ค่ะแต่ตัวลิ้งบางทีก็นอนสมาธิบ้างนั่งบ้างแต่อย่างน้อยสุดก็ยังได้นั่งไม่เข้าใจก็นั่งได้ค่ะอาจารย์แล้วก็รู้ว่าวันเสาร์อ่ะจะต้องไปวัดเขาก็จะถามตลอดว่าไปกี่โมง มีขนมปั ง, งปลาไหมอะไรอย่ะงเงีค่ะเยียมอะไรไมีบ้งางกขาจะถามขนมครับอาจารย์มีอะไรไหมค่ะตอนนี้หนูก็อยู่บนเขานะคะอาจารย์ก็ามาอยู่บนเขาเนะยกี่วันอ่าจะอยู่สามวันอ่าสามคืนสี่วันค่ะพอาจารย์เงียบ <พอ S 2> ดีไหมตอนรกคะเงียบดีไหมเงียบดีมากเลยค่ะพอาจารย์วู้อย่างนี้หนูมาตั้งนาน แต่คือที่บ้านบอกว่าเอ้าจะไปไปไปหลายวันหนูงงที่จริงหนูจะมาสักอาทิตย์นึงอะคะอ่ะอแล้วเขาบอกว่าไม่กลัวเหรอหนูมไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรหนูรู้สึกว่าหนูชอบที่นี่มากแปบ้านยังคาเลยว่าอุ้ยทำไมชอบจังเลยได้อยู่คนเดียวเพราะว่าปกติก็ชอบอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านแล้วก็เ อ, อ่ปฏิบัติเองอะค่ะพระอาจารย์สําหรับคนที่ชอบภาวนานี่ยเขาจะชอบสถานที่แบบนี้ อ่าอาจารย์ชอบมากแม่ก็โทรมาเป็นห่วงหนูก็งงเขาก็บอกเอ้ยถ้าแม่เออไม่ไม่แก่นะแม่จะไปด้วยหนูก็ออืเจะจะยังไงดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับหนูก็ว่าแม่หนูขอบคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้หนูหนูก็ว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ก็สามีแม่สามีที่อยู่ที่บ้านด้วยก็หนูต้องดูแลหลายคนอืทําให้เราเห็นว่าอูไม่ต้องเปง็นรวมกลุ่ารอแก่รื คือเราเกยยังไงก็พาไม่ได้ขนาดเช่นี้มานั่งเนี่ยยังปวดหลังเพราะว่าเคยถางาหลังนะคะพระอาจารย์แล้วก็ปวดตาเพราะอ่านหนังสือจบเป็นเล่มวันนี้ยค่ะออกไปเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างสลับไปเรื่อยๆะคะ่ะพระอาจารย์อืมเราก็เลยรู้ว่าอ๋อสังขารเป็นอย่างนี้เมื่อคืนนีว่าปวดท้องแต่หนูก็ไม่ได้สนใจหนูก็ว่า ผู้โทรมำสังโคผู้โทราำูสังโ ค, โงโคก็หลับไปเลยค่ะอาจารย์อืก็สบายสบายดีมากชอบชอบมากเลยค่ะอาจารย์แล้ยังบอกว่าเดี๋จะมาเรื่อยๆพออดร่มรื่นดีมากเลยค่ะอาจ า, ารย์ก็ไม่มีอะไรก็คือสิ่งที่วอาจารย์ตอบคาถามหลายๆคนที่ผ่านมาก็าทําให้หนได้เห็นว่าอ๋อสิ่งในที่ตัวเองขาดก็คือสติสมาธิ ส่วนปัญญาก็คงมีบ้างอะไรอย่างเนี้ยค่ะต้องฝึกให้ยิ้มค่พระอาจารย์ก็ต้องฝึกต่อไปพระอาจารย์ยังไม่มีบ้างสติสําคัญที่สุดในตอนนี้ใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเดินไปนิดนึงก็คือหลุดปุ๊บก็คื อ, อต้องอย้าใยาให้จิตกลับไปที่บ้านเด้งวนไว้มันชอบคิดถึงบ้านตอนที่มันอยู่ที่นี่หนูไม่คิดเลยค่ะพระอาจารย์ไม่คิดเลยค่ะหนูไม่คิดเลยเพราะว่า เหมือนด่นหลังก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเหมือนเราเตรียมแล้วค่ะว่าอย่างนี้อนี้ไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะผู้อาชญ์เพื่อนบอกว่าอ้าวทำไมทําแบบนี้หนูก็บอกว่าไม่รู้การเตรียมตัวที่ดีที่สุดคือการเตรียมตัวตายให้ดีที่สุดหนูก็บอกแม่เพราะว่าร่างกายก็บริจาคแล้วหนูบอกว่าหนูไม่ได้บุญแค่ได้ประโยชน์แต่บุญหนูจะทําเองใครได้ทาให้ก็ไม่เป็นไรหนูก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะไม่รู้ว่าหนูพูดถูกหรือพูดผิด แม่ก็ว่าทำไมทําไมคิดอย่างนั้นแม่จะได้สบายใจแไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะอาจารย์อืดีแล้วก็ก็ไม่มีอะไรหนูก็พูดอย่างนี้ตลอดนะคะพระอาจารย์อืก็รู้สึกว่าเราสบายอะะถึงแม้จะเจอปัญหาหนูก็อ่ะก็คือปัญหาก็เจอมาตลอดทั้งชีวิตอยู่แล้วค่ะอาจารย์ใช่แก้ได้แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ปล่อยันไป ใช่ค่ะแม้กระทั่งร่างกายของเราหขอบคุณที่หนูได้เจอธรรมะของพระอาจารย์แล้วก็ได้อ่านหนังสือของหลวงตาด้วยวันนี้ก็คืออ่านเพิ่มจนจบจนตากระตุกแอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเหมือนท่านบอกว่าอ่านให้จบก็คือเล่มนี้ก็คือจบก็คือจบนะค่ะก็เลยจบจะเป็นยังไงก็แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ไปสนใจกับมันอาจารย์เราก็จะ พยาามมาเรื่อยๆอะค่ะพอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสาธุพระอาจาร์คุณปุ้ยต่อักบ์คุณปุ้ยเจเจจุดห้าเลยจังวันกับพอาจารย์ใช่อาจารย์คุณปุ้ยจังวันจะถือเจ็ดจุดห้าค่ะถ้พระอาจารย์ว่าเครื่องสําคัญก็เจ็ดจุดห้าแต่จริงๆแล้วคุณปุ้ยก็ ถือสวดศีนแปดนะแต่ตอนเย็นนะคุณปุ้ยถือศีนแปดจริงๆพระจานทร์เดิมที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่สบายอะ่ะเป็นเหมือนพระจานทร์เป็นเหมือนโควิดอันใหม่อะ่ะแล้วแล้วแล้วคุณปุ้ยแบบรู้สึกว่ามันมันมันเหมือนกับว่ามันลาคาญตัวเองคือคือโยมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าโยมมีปัญหาตอนที่เข้าสมาธิแล้วแบบว่าจิตมัน ตอนอยู่ธรรมดาเนี่ยเราพุโทโธพุโทโธได้แต่พอเราละท่าสมาธินี่ยพยายามพุโทโธแล้วแบบใจมันเหมือนกระลิงแล้วมันไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอาจารย์มันมันไม่อยู่กันนิ่งๆอะ่ะเอ่อโยมก็อธิบายไม่ค่อยจ ะ, จะถูกแล้วแล้วโยมอ่ะฝันอะ่ะเนี่ยเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะโยมฝันว่าโยมไปไหนมาไม่รู้ตอนนั่งสมาธิโยมหลังจากนั้นโยมก็ขวันห่อยโยมไปไหนไม่รู้มันเป็นไอทางตะวันตก ตะวันออกเฉียงหน่งของประเทศไทยอ่ะแล้วมันมีขมิน่ะมีปางขมินแล้วมีรูปป้้นขมิน่ะเขาบอกอ่ะกับโยมว่าเอาให้โยมไปเอาเขามาแล้วตั้งแต่นั้นโยมก็ไม่สบายมาเรื่อยเลยพระอาจารย์โยมลืมเล่าให้อาจารย์ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วยังไงแล้วโยมก็บอกว่า คือเขาเขาไม่ใช่ผีนะพาะอาจารย์เขาเป็นเหมือนกับเทพอ่ะแล้วยมก็ไม่รู้อยากจริงๆเป็นเทพหรือเป็นพระอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นของของของขมนเป็นของขอมอ่ะแล้วยมเขาก็บอกว่าท่านจะไปอยู่กับคุณผมไม่อยู่ไม่ได้หรอกฉันฉันไม่ใช่คนมีวิชายอมก็คืนในใจยมนึกอย่างนี้แลทีนี้ยมตกกระจายยมก็ตื่นขึ้นมายมก็แผ่บุญโยมก็ทุกครั้งทุกวันยมก็แผ่บุญให้เขาบอกเราต่างคนต่างอยู่นะคุณอย่ามาอยู่กับฉันนะเออยมก็กลัวคือ ยายจันก็รู้ว่ายมเป็นคนกลัวผีเปงนคือแบบมากที่สุดเลยอะ่ะยมก็เลยแบบตั้งแต่วันนั้นมายมก็ไม่สบายเรื่อยเลยยมรู้สึกแบบมันเหมือนแบบเราเป็นอะไรว่ามันไม่สบายด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆมันไม่เคยปวดเอออย่างเงี้ยมันก็ปวดอย่างเงี้ยค่ะ <Oui. S 2> และเวเราจะแบบนั่งสมาธิแล้วรู้สึกมันเหมือนจะมีอะไรมารบกวนเรานะฮะมันเหมือนมีอะไรมาติดพออะไรอย่างงี้และ โยมก็เลยใช้สมาธิอะใช้การอธิษฐานจิตขอขอพระพุทธเจ้าขอหลวงปู่พ อ, อบอกว่าช่วยโยมด้วยนะเพราะว่าโยมไม่มีเจตนาที่จะไปรู้จักกัแบบเออเทพอะไรเลยแบบอย่ามายุ่งกับโยมเพราะว่าโยมต้องการจะสร้างบุญสร้างบารมีค่ะก็จะมาเล่าให้พระาอาจารย์ฟ<ม>ังเอออย่าไปสนใจอย่าไปสนใจทุกอย่างมัน <c oughs> เป็นมันเป็นเขาเรียกว่า อุปทานท้งมากกว่าเป็นอาการของจิตเราไม่มีอะไรค ว, ความเป็นจริงหรอกมันก็เป็นของมันไปรู้แล้วมันเกิดแล้วดับไปก็พอค่ะอือฮึพระอาจารย์คายตอนเวลาที่เราอ่ะนั่งสมาธิเรานั่งอ่ะนั่งที่นั่ ง, น, ง, น, งนานๆ น, น่ะคือคือคื อ, คอมันจะผ่านเวทนาซึ่งมันจะไม่รู้สึกปวดและความปวดเนี่ยมันจะเหมือนกับมันจะแล่นอ่ะไปถึงกระดูกสันหลังอ่ะ ไปสู่ก้นกบแล้วมันจะขึ้นไปที่หัวสมองใช่ไหมคะก็แล้วแต่มันจะเป็นยังไงก็ให้รู้เฉยๆไปเท่านี้การปฏิบัติเราไม่ต้องการที่จะไปควบคุมมันพระเราควบ<ม>คุมมันไม่ได้ใช่ค่ะโยมมีเรื่องหนึ่งจะเรียนถามพระอาจารย์ครับคือคือโยมเคยเคยฝึกเกี่ยวกับเออแสงขึ้นขึ้นเสียงมาทีนี้โยมจะถามพระอาจารย์ว่าโยมชอบเสียงพระอาจารย์โยมชอบเสียงหลวงจามบัว ทีนี้โยมอะสิ่งที่โยมทำเนี่ยมานานแล้วแต่โยมไม่เคยเรียนให้พระอาจารย์ฟังนะคือโยมจะเอาไอเนี้ยใส่หู่ะทิเทศอะของพระอาจารย์อะใส่ห่ะเพราะว่าอะไรเพราะโยมไม่ได้ว่าให้จิตโยมอะนิ่งแต่เพียงแต่ว่าโยมไป็นโทนโกผีโยมโกผีจะหลอกโยมตอนตอนโยมหลับทีนี้โยมก็เลยคิดว่าเกิดไปเกิดโยมหลุดไปโยมตายไปไม่หลับแล้วไม่กลับคืนมา แล้วไอ้สิ่งที่พระอาจารย์สอนเนี่ยมันจะได้เข้าไปอยู่ได้สมองด้านหลังของโยมอะ่ะเออมันจะเป็นไปได้ไหมฮะพระอาจารย์เป็นไปไม่ได้เหรออ่าแต่แต่แต่ทุกครั้งเวลาโยมฟังเนี่ยคือเราตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกดีดีนะมันต้องเกิดจากการปฏิบัติของเราเองทีถึงจะเองจริงของที่เราฟังมาเนี่เดี๋ยวเราก็ลืมได้เรียกสัญญายังไม่เป็นปัญญา ถ้าเป็นปัญญาเนี่ยมันะจะเป็นเราจะไม่ลืมถ้าเอามาตับความทุกข์ได้นี่เราจะไม่ลืมค่ะแต่โยมก็มาใช้และโยมก็เชื่อเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อในคําสอนเชื่อในพระอาจารย์ว่าสิ่งที่พระอาจารย์สอนโยมอะมันมีจริงจริ ง, รงเพราะตั้งแต่โยมโยมรู้จักพระอาจารย์มาเออมากกว่าสี่ปีแล้วนะเพราะว่า แต่ที่ปฏิบัติสี่ห้ามาตอนแรกแล้วก็มองมาเริ่มสี่แปดเนี่ยก็สามปีแล้วนะโยมปีนี้พระอาจารย์ว่าโ mm. ยมว่โยมจะถอยหลังไหมไม่โยมอะโยมไม่ถอยหรอกโยมสู้ค่ะถึงถึงโยมจะไม่ใช่คนเก่งแต่โยมก็คิดว่าคือเราจะไม่มีพระที่สูสงอยู่ในประเทศนี้หรืออาจจะมีแต่ว่าไม่ใช่โยมต้องการพระที่เป็นพระอย่างพระอาจารย์อะพระน้ะําแทะอ่ะพระเนื้อแทะแล้ว ถึงโยมจะเข้าไม่ถึงตรงนั้นแต่ไอซูมเนี้ยมันจะช่วยให้โยมนะ่ะเอเข้าถึงทําได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องเอาไปปฏิบัติปฏิญาเข้าได้ทำ อ, อย่างเดียอยังมันยังเข้าไม่ได้ต้องเอาไปปฏิบัติด้วยอช่เพราะว่าโยมเห็นตัวเองขึ้นมาจากจุดที่ว่าเพราะโยมก็มีรากฐานที่ดีมาเหมือนกันเพราะตอนเด็กๆโยมก็ได้สวดมนมาตลอดแล้วโยม มันอาจจะเป็นการดีที่ว่าโยมเป็นคนกลัวผีแล้วมันทำให้โยมเข้าปฏิบัติได้เพราะว่ามันช่วยโยมได้เรื่องนี้ค่ะโยมโย ม, โยมก็เลยเห็นตัวเองโย ม, มได้ปฏิบัติวันนั่งให้มากกว่ามันต้องปฏิบัติมันจะยได้เจอของจริง<ช>ถ้ายั ง, ยงไม่ปฏิบัตินี่ยังมันเป็นความจำอยู่จำแล้วก็ลืมได้ mm hmm. แต่ถ้าเป็นของจริงเป็นปัญญาเนี่ยมันจะไม่ลืมโอเคมีอะไรไหม ไ ม, ไม่ไม่มีคาะพระาจารย์ยมจะขอขอพลังพระาจารย์ช่วยเหลือยมหน่อยให้ยมอย่าขี้เกียจให้ยมมีความ<อ>เพียรมากอตาเฮีัตโนนาทโทนี่ไม่มีใครช่วยใครได้หรอกต้องมีที่พของตนตั้นตัวเองเหมือนกับจะทะเลาะ ก, กับตัวเองอนะคะพระอาจารย์อทืทะเลาะกับกิเลนไม่เป็นไรหรอกเอาชนะมันให้ได้ก็แล้วกันค่ะโยมพยายามค่ะพระอาจารย์เนี่ยขอให้พระอาจารย์ แข็งแรงโยมน้อมบุญบา ร, รมีถวายพระอาจารย์เจ้าค่ะนะทุกข์ข็โยมมีแต่ความสงบความเจเลยนะถือเจ้าค่ะไปเที่ยวกุญเจต่อจะาหายไปหลายอาทิตย์ไม่ได้อยู่คิวสุดท้ายเลยขาา่ขาวธรรมสถานข่าวพระอาจารย์ไม่ได้อยู่ค่ะแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนค่ะอ า, าจารย์อยู่ฟังอยู่ข้างนอกค่ะ ม, มีอะไรไหมวันนี้อ่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่หนูจะอยู่อพาร์ตเมนต์นี้แล้วค่ะคุณอาจานหนูจะย้ายออกแต่ยังไม่ไปเท็กซัสนะคะแค่าย้ายไป อ, อ, อันที่หนูเคยอยู่มานะมาตลอดอันนี้เหรอที่นี่ค่ะนี่คือฉากฉากนี้คือวันพุธนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยว <laughs> พุธหน้าหรือว่าถ้าพุธหน้าไม่สะดวกหรือเมื่อในอนาคตเนี่ยค่ะจะเป็นอีกฉากและอันนั้นจะเป็นบ้านเพื่อนที่หนูเคยไปเลี้ยงหมาให้เขาตอนที่เวลาเขากลับไทยกันนะคะอ๋อค่ะที่กล่าวไม่ดีหรือว่ามันมีปัญหา เอ๋อเปล่าค่ะแค่ว่าพอดีเดี๋ยวหนูจะเดินทางค่อนข้างเยอะจากตั้งแต่ช่วงมิทุนกลางมิถุนนาเนี้ยค่ะแล้วก็<ม>กลางก ร, รกฎาหนูก็กลับไทยแล้วก็พอกลับจากไทยมาที่นี่อีกทีประมาณช่วงกันยาหนูก็จะย้ายรัดก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะเช่าเพื่อที่จะจ่ายตังค์รายเดือนมันแพงพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้จะต้องทำอย่างงาั้นทำไมก็เลยก็เลยเลิกชาเลิกสัญญาสัญญามันหมดพอดีด้วยค่ะ ก็เลยไม่ต่อสัญญาแล้วก็ย้ายอ่าเข้าบ้านเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะเออไปอยู่กับเพื่อนอย่างนี้เลยก็คือเหมือนเป็นช่วงสั้นๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหนูต้องเดินทางแล้วก็คือชีวิตก็จะไปอยู่จุดนู้นจุดนี้เมืองนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งถึงช่วงคือตั้งแต่ประมาณกลางมิถุนาถึงกลางกางต้นต้นกลางกางกันยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะแบบเร่นลอนค่ะแล้วก็จะมาเนี่ยไปหลับไปลไอทีก็คือเป็นพระธุดงค์มากค่ะเป็นพระธุดงค์โอ้ะ ถ้าหนูได้พารุดงนั้นหนูจะสาธุตัวเองว่าแต่แบบยิ่งตอนนี้หนักเลยค่ะอาจารย์การปฏิบัติแบบถดถอยมากเพราะว่าคืออย่างที่เคยเล่ามาที่อาทิตย์บันมาค่ะแล้วก็มันเกิดเป็นความยื้อกันระหว่างความรู้สึกที่จะแบบอยากเตรียมตัวทางโลกยังอยากที่จะทําให้อาชีพมั่นคงแต่ในใจนึงก็มีความรู้สึกว่าจะไขว่คว้าไปทํำไมสุดท้ายก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรทําไมแบบ ไม่สะสมบารมีทางธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ต่อสู้กันแต่ส่วนมากความคิดว่าจะเจริญทางธรรมจะแพ้นะคะหนูก็จะลืมลืมคิดถึงความตายกันเหมือ น, นคิดถึงความตายบ้างนะจะช่วยได้นั่นสิคะแค่แค่พระอาจารย์พูดตอนนี้ใจก็ต้านละใจต้องมีความรู้สึกว่าเดอย่าครึ่งคิดเพราะว่าถ้าคิดแล้วเดี๋ยวจะไม่ทํางานเดี๋ยวจะไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยังทํา ง, งานอยู่แต่เพีงเยงแต่ว่ามันไม่มันไม่มไปกังวล มากเกินเกินไป ม, มันรู้ว่าทำไปยังไงเดี๋ยวก็ตายอยู่ดีค่ะถ้าคิดว่าไม่ทํางานก็แ ส, สดงว่ามันเป็นกิเลสไปนะถ้าเกิดไม่ถ้าคิดเราไม่ทํางานถูกไหมคะไม่แต่ถ้าคิดว่าอโอ้เราจะไปทํางานให้มันเหนื่อยยากมากเกินไปทำไมทำพออยู่พอกินไม่วันก็พอแนละ้วอเนี่ยต้องการให้คิดอย่างนั้นแล้วมันจะทําให้ กัะจายความโลกของเราให้มันน้อยลงไปวันทีเราวางแผนการโอ้ยจะต้องทำนู่นทำนี่ได้นู่นได้นี่มาอะไรใช่ค่ะอาจริงของเราก็มีเพีงยงแต่ทําทำให้ร่างกายมันอยู่ได้ไปวันๆนหนึ่งก็พอแล้วแล้วเอาเวลามาปฏิบัติทำให้มากขึ้นดีกว่าค่ะเนี่ยขนาดฟังพาจารานพูดตรงๆแบบ สั่งสอนสดๆตรงนี้หนูยังใจกิเลสหนูนี่แบบฟูมากไม่ยอมรับไม่ยอมรับยไม่ยอมคือรู้สึกเลยค่ะว่าตอนเนี้ยต้านแบบว่าคือตัวเกรงไปหมดแล้วเนี่ยว่าแบบไม่ได้ต้องแบบต้องตั้งใจต้องแบบสร้างก่อนเพราะว่าอืมเดี๋ยวไม่มีตังเดี๋ยวจะต้องไปเป็นภาระคนอื่นเขาให้เขามาดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแย่มากเลยค่ะไม่รู้ทําไมมันต้านมากเลยหรือวน่าจะเขาสติ มันอยากจะอยู่ยมันอยากจะทําอะไรของมันไปเยอะปัญหายังมากอยู่ความอยากยังมากอยู่อยากได้ในราบยศสารเสริญสุขนอกจากพิจารณาความตายแล้วการตัดความอยากทางราบยศสารเสริญสุขนี่ต้องทํายังไงได้อีกบ้างคะพระอาจารย์ราบยศสารเสริญมสุขมันก็ตายไหมนกันมันมีเจริญสแล้วมันก็เสื่อมได้ไดงานมาได้งานมาดีไม่ดีต่องานก็ได้ หรื อ, รอถ้าปิดบริษัทเองบริษัทเจิงก็ค่ะมันไม่มีอะไรรับประกันว่าเราจะมีแต่ขึ้นอย่างเดียวใช่ไหะเนี่ยค่ะนหนูกำลงังประสบตรงนั้นอยู่เนี่ยความจริงแต่า บ, าบางทีพยาอามมองเหมันนะอนแล้วก็น้องก็ต้องพยายามทําให้มันขึ้นให้ได้ก็เลยเครียดยิ่งยิ่งเครียดใหญ่ค่ะก็ยิ่งทําเข้าไปย่ายิ่งห่างทางค่ะทุกอย่างมีขึ้นมีลง มมีเกิดมีดับในที่สุดทุกอย่างที่เราหามันได้ก็ต้องก็ต้องทิ้งไ่หมดเวลาเราที่เราตายจากโลกนี้ไปอืมนั่นเลยค่ะอันนี้จังทุกขังทุกเพราะทุกเพราะต้องหามันพอได้มาแมาก็ต้องรักษามันในเวลาเสียไปก็ ก, ก็ต้องทุกข์อีกอยากได้ อ, อีกใด้คืนแล้วก็เสียใจที่สูญเสียไปค่ะ ทั้งๆก็รู้ทั้งๆที่รู้ทั้งๆที่ก็เห็นกับตาอยู่นะค่ะไซเคิลเนี่ยไซเคิลความเกิดความสําเร็จขึ้นมาแล้วก็ผ่อนลงไปจะเจ๊งเอาสร้างใหม่อย่างเงี้ยมันวนไปเรื่อยๆทั้งๆที่ก็เห็นแต่ทําไมมันยังไม่เห็นจะทุเลาลงไปมันยังไม่เบื่อมันยังไม่เบื่อแล้วความเบื่อจะต้องเกิดจากว่าเจอบ่อยๆเจอซ้ําๆซ้ำๆซ้ําๆเหรอค่ะถึงจะเบื่อก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ คังสองครั้งมันยังอาจจะอมืออะไรถ้าไปเจออะไรที่มันหนักหักหน่อยก็อาจจะเกิดความเบื่อขึ้นมาก็ได้<ะ>แต่ทั้งที่อย่าไปเจอมันคิดไว้ล่วงหน้าก่อนยีกว่าจะได้ไม่ลำบาดทุกข์ค่ะหูเห็นญาติโยมในเนี้ยที่ที่หลายๆท่านบอกว่า เริ่มแบบไม่ค่อยอยากได้ลาบไม่ค่อยอยากได้ยศในหน้าที่การงานหนูคนนึงในใจโอ้ทําได้ยังไงหนูนี่ยังอยากเต็มเต็มเลยค่ะกิเลสโอ้เฟื่องมากหนูอาจะต้องไปเจอเจอกับความความเสื่อมก่อนนะคอยถึงอยากเข็ดก็ได้อืมเจอความทุกข์ว่าได้แล้วก็ไม่ได้อะไรอยู่จริงเออเจอความทุกข์ของลาบยศเสื่อมแล้วเสื่อมได้มาแล้วอาจจะดีใจเดียวเดียวแล้วสักพักก็กลับมาเหมือนเดิม ือก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรอย่างนี้อ um ้งว้างเปล่าเปลยวยังอยากไปยังอยากได้นู่นอยากได้ต่อไปยเรื่อยๆก็เนี่ยค่ะพาตาหนูถึงหนูรู้สึกว่าถ้าหนูทําตรงเนี้ยซึ่งมาติดอยู่จุดเนี้ยจุดเดียวที่มีความรู้สึกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จสาเร็จในจุดที่ตัวเองเป็นความอยากของตัวเองนะคะแล้วหนูก็คิดในใจว่าถ้ามันถึงวันนั้นที่มันได้อ่ะหนูจะรู้สึกว่าก็สุดท้ายก็ไม่เห็นมีอะไรเลย หรือเปล่าทีนี้หนูว่าคิดในใจก็แล้วถ้ามันไม่รู้สึกล่ะถ้ามันอยากไปเรื่อยๆถ้าแบบสำเร็จไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็ไม่ความสุขโอ้ยังสำเร็จต่อได้อีกไปต่ออีกอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนต้องรอดูคิดว่ า, ค, วาคิดว่าต้องพิจรารณาให้มากๆขึ้นนะคะในชีวิตประจำวันคงไม่ได้คิดพอมันมีรายส่วนประกอบด้วยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายของเราคิดถึงควา ม, วามเสี่ยมของราบยศสรเสื่อม แล้วก็พยายามสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาให้ใจมีความสุขจากการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การทําใจให้สงบนี้อ่ถ้ามีทั้งสามอย่างนี้มันก็สามารถที่จะลดหรือเลิกการหารายย่อสารเสืส่อสลงได้สิ่งที่เราขายก็คือความสงบความสุขของใจถ้าไม่ทำแล้วไม่รู้จักทำให้ใจเรามีความสุขยังไงใช่ไหม อืก็ต้องอาศัยราบยศสารเสวนรูปเสียงกินลดไปก่อนมันก็เลยยากยากที่เราจะลดความอยากในราบยศสารเสวนสูงได้ถึงแม้ความจริงจะบอกเราว่าเดี๋ยวก็แก่เจ็บตายแล้วนะมันก็ยังค้างอยู่นะยังไม่ถึงเวลายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายดังนั้นสิ่งที่สิ่งที่คุณคายก็คือ การฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตมีความสงบจะได้สัมผัสเกี่ับความสุขบ้างว่าเป็นยังไงอืมจะได้อยากได้ตรงนั้นแทนที่จะจยากได้ความสุขจากทางโลกที่เคยสั่ใช่เห็นได้เลยพย า, ยาหาเวลาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธิให้มากที่สุดท่าทาย ห, หาได้ค่ะหนูมีเด็กๆ เ, เป็นไอดอลมากเลยคะ่ะทํากันได้ยังไงทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงเอเขาไม่เพราะอะไรเขาบังคับเลย เราไม่มีพ่อแม่ไปบังคบเรานะต้องเป็นพ่อแม่ของตัวเองแล้วนะคะไม่งั้นก็ไม่ไม่จะเลยต้องอัตตาอิอัตโนนาโทตอนในที่พึ่งตนต้องบังคับตัวเองค่ะท่านอาจารหนูขอถามเรื่องเวทนาต่อยอดเมื่อกี้จากคุณแม่นลองตวันนะคะว่าที่พูดถึงอเวทนาที่เกิดจากทางกายเช่นนั่งสมาธิจนปวดหรือว่าเช่นป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว อานูจำไม่ผิดเหมือนพระอาจารย์พูดถึงว่าก็ให้พิจารณาว่ามันเป็นอนัตตามันมันมีเหตุปัจจัยมันก็เลยเจ็บป่วยทางกายมันก็เลยเป็นความรู้สึกนั้นแต่ว่าถ้ามันเป็นแล้วถ้าเป็นเวทนาที่เป็นโทมนั์อะค่ะที่เป็นเวทนาทางใจนี้เป็นเป็นทุกข์นี่นนี้เป็นทุกข์ต้องพิจารณาว่าสาเหตุของความทุกข์คือความอยากแล้วมันต่างกันยังไงกับการใช้ใต้ลักล่ะค่ะในการยินดีอ๋ออาลยอสสีก็ ก็เราไม่ต่างกนะันเพียงแต่ว่าเรามาดูที่เหตุก่อนว่าที่เราเศร้าโศกเสียใจนี่เกิดจากอะไรแล้วเกิดจากความอยากไม่สูญไม่อยากจะไม่สูญเสียสิ่งที่เรารักไปใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีความอยากสูญให้ให้ความความความอยากไม่สูญเสียได้เนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานะมมแล้ว ออ่แล้วเรอาจจะมองว่าคนที่เราลากหรืสิ่งที่เราลากมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันอนิจจังเหมือนกันเราห้ามเขาไม่ได้เวลาที่เขาจะจักเราไปถ้าเราอยากจะให้เขาไม่จากเราไปเราก็จะเศร้าแล้วก็จะทุกข์ได้อืมก็คือสุดท้ายยังไงก็ต้องมาจบที่การใช้ใจรักเป็นตัวพิจารณาแต่ว่าถ้าเป็นทุกข์ทางกายอาจจะไม่ได้ต้องหาสาเหตุว่าเป็นเพราะเราอยากให้มันหายเจ็บขาแต่เราสามารถมองได้เลยว่าโอเคมันก็ก็มันก็มีเหตุ ที่ทำให้เจ็บขาอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะคือจะมองหาที่ก็ได้หรือจะตรงั น, ม, นมันจะมีทั้งสองอย่างเวละเกิดทุกทางกายแล้วใจมันจะทุกข์ตามด้วยดังั้นเราก็ต้องพิจารณาทั้งสองส่วน<ช>ทุกทางกายมันก็เกิดจากการแปรปรวนของเหตุปัจจัยต่างๆเช่นโควิดอะไรเงียมันก็ทำให้เกิดทุกข์ทางกายได้ แล้วใจเราไปทุกข์กับมันเพราะเราไม่เห็นเราไม่ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายที่จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราอยากจะให้มันไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยอันเนี้ยเป็นทุกข์ทางใจล่ะความอยากไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องพิจารณาว่าอยากแล้วมันได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้เพราะเราควบคุมบังคับร่างกายไม่ได้ว่าร่างกายมันก็เป็นตายรักอยู่โอเค ทุกสองต่อนะคะถ้าเกิดเจ็บเออจ็บเจ็บใจะเจ็บกายแล้วเจ็บใจต่อเออเราสามารถระงับความเจ็บใจได้แต่ความเจ็บทางร่างกายแล้วับมันไม่ได้ต้องจากรักษามันไปจังกามันจะหายค่ขตายจละค่ะอขอบคุณมากค่ะอ่จารย์เป้าหมายของการปฏิบัติเราต้องการดับความทุกข์ทางใจอเอาความทุกข์ทางร่างกายเราดับมันไม่ได้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ต้อง แล้วแต่มันเน่ยมันมันมีเหตุให้มันเจ็บเป็นก็เจ็บมีเหตุให้ทําให้ความเจ็บหายมันก็หายแต่ที่เราต้องการแก้ก็คือความทุกข์ทางใจเราด้วยการเห็นว่าความเจ็บทางร่างกายเรามันมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ฮะไม่ได้มันเป็นอนัตตาเราก็ยอมรับมันยอมรับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันอยู่กับมันได้ซึ่งก็คือตาค่ะ แล้วก็คือผลที่ได้จากการพิจารณาแบบนี้ก็คือคคอุเบกขาถูกไหมคะมันจะเป็นความรู้สึกว่างใจว่างเฉยไม่ทุกข์กับมันแต่ความเจ็บก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอืมโอเคเข้าใจแล้วค่ะอย่างตอนนี้เราก็มีเจ็บทางร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแต่ใจเราไม่ทุกข์กับมันใจเราเฉยเฉยทุบเจ็บก็เจ็บไปเล้วก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไป มันอันนี้คือพอมันเกิดขึ้นมาในด้วยปัญญาของเราแล้วอะ่ะมันจะอยู่ต่อไปเลยถูกไหมครับไม่เกิดเมื่อมาเจอความทุกข์แบบนี้มันก็นนนนนนจะรู้วิธีสู้กับมันได้เพราะมนันรู้ว่าความความทุกข์ทางใจมันเกิดจากความอยากของเราเองความไม่เข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่าเป็น้หน้าตาและอยากไปควบคุมให้เขาอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ เออก็กลับมาที่การปฏิบัติธรรมสติสมาธิอยู่ดีดีไม่พ้นอ่ะจะไม่อยากฝึกสตินั้นสมาธิให้มากว่าเนี่ยต้านอีกแล้วเนี่ยพอพระอาจารย์พูดแบบนี้ปั๊บนี่ตัวเก่งอ่ยกิเลสนี่แบบเอาอีกแล้วแต่ว่าต้องพิจารณาบ่อยๆต้องบังคับมันยังไงสักอย่างหนึ่งเออไม่งั้นพวกก็จะติดอยู่ในนี้ไปเรื่อยๆก็จะหลอให้คุณไมปหาแล้วหานู่นหานี่มาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ ค่ะหนูก็มีเพื่อนบอกอยู่ว่าเป็นคนเกิดมาโชคเดียวคนอื่นเขามากมายไม่ต้องมีไม่ได้มีพันธะอะไรใดๆเลยเออตัวเองก็สุขภาพดีไม่ได้มีใครต้องดูแลก็ยังจะหาเรื่องเอานู่นเอานี่มาออต่บาอยา่งอาจจะอยากจะมีลูกขึ้นมาก็ได้บางคนเขามีลูกก็อยากจะคิดว่อยถ้ามีลูกก็าจะมีความสุขก็ได้ อ, อ๋อไม่เลยค่ะอาตาลอันนี้อันนี้ชัดเจนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคะ่ะว่าลูกคื อ, อ ไม่เคยอยากมีเลยค่ะเออดีอยากได้ราบยศสัละเสินะคะ่ะก็ต้องมองว่ามันต้องมองว่ามันแต่มันมีลูกนะมีราก็เหมอนมีลูกเอยมีลาบต้องทุกกับลาบอะ่ะค่ะแต่เรามองไม่เห็นแล้วกลับเห็นว่ามันเป็นสุขมีลาบเราจะได้ใช้เงินเที่ยวกินดื่มได้สบายแต่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วได้กับลาบมันหมดจะทำยังไต้องหาใหม่สิแล้วถ้าหาไม่ได้ทำไมก็ ซึมเศร้าไปกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปต้องคิดายาวคิดให้มันกว้างให้คิดเรื่องควงจรอืมคิดแต่เฉพาเวลาได้มันก็เห็นแต่ได้ก็ดีเนี่ยมีเงินจะได้ใช้ได้กินได้เดินได้เที่ยวอย่างสบายแต่ไม่คิดว่าถ้าเกิดวันดีคือดีมันหน้ามันเสือ่อมมันหดมันหายไปทําไงแล้วพยายามหายังไงก็หาไม่ได้แล้วจะทําไงที่นี้เครียดแล้วสิ ใช่หะอย่างหนึ่งที่หนูคิดแล้วรู้สึกว่าช่วยคือกลัวว่าถ้าหมดจักชาตินี้ไปแล้วจะไม่ได้มีบุญมาเกิดในใน<อ>พุทธศาสนาใช่ค่ะไม่ว่าจะได้เกิดแบบอาจจะเกิดไปอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่มีพุทธศาสนาทั้งทั้งที่ก็มีเรื่องของศาสนาพุทธที่ยังสั่งสอนอยู่ตามอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แต่ด้วยความที่ไม่ใกล้พอ หรือถ้าโชคล้ายขนาดหนักก็คือไปเกิดในยุคที่แบบอะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไ ร, ไ ม, ระไม่มีพุทธศาสนาในโลกนี้เลยใช่ค่ะหนูว่าทุกครั้งที่คิดอย่างเงี้ยก็จะก็จะเริ่มรู้สึกว่าอยาปล่อยโอกาสอันดีนี้หลุดมือไปอเรียนศึกษาเรียปฏิบัติไปห น, นูมีข้อมูลเต็มที่แล้วอยู่ที่หนูสามารถสามารถเอ่อคอนวินตัวเราเองได้เปล่าหรอ นั่นคือเขาศึกษาหนูแล้วได้เป่าศึกษาหนูอ่านหนูแบบช่วงแรกๆทางพุทธศาสนาหนูแบบชอบมากแล้วก็อ่านหาอ่านหาฟังแบบสะสมเป็นข้อมูลอยู่ในหัวอะค่ะแต่เหลือแค่เหลือแค่ลงมือทำเน่ะเอ่แล้วเดี๋ยวมันก็ลืมถ้าเราไม่ทําเดี๋ยวข้อมูลต่างๆที่เราศึกษามาเดี๋ยวมันก็หายไปหมดอืมใช่ต้อศึกษาแล้วต้องปฏิบัติตค่ะโอเคนะ อย่าอย่าคิดท้อแท้ก็แล้วกันทำเท่าที่เราทําได้ไปก่อนสาธค่ะคระอาจารยขอบคุณมากค่ะสาธุคุณมณิการยังไงกับจากเชีวันแล้วจิตแ่มพุงอยู่หรือากับนรัตการเจ้าค่ะพรอาจารย์ไม่ฟูงเนี่ยก็พระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะว่าพอไปบรรเลงมันก็สานต่อกันได้เลยมันไม่มันไม่ได้หยุดใช่ไหม แต่ว่ า, าวันที่สามนะพระอาจารย์พอเดินไปสักพักหนึ่งมันก็ผุดขึ้นมาว่ามาทําไมมาแล้วจะได้อะไรก็เอึ้องไปพักหนึ่งเหมือนกันนะพอาจารย์ก็เราบอกว่าเอามานี่ก็เพราะเราทุกมาเพราะเราทุกทุกเพราะเรา อ, อยากได้อยากได้อะไรอยากได้เงินคืนนั่นที่บอกพระอาจารย์ว่าสามสี่เดือนที่ผ่านมานะทุกจนทุกจนแบบไม่รู้บอกยังไงบอกพระอาจารย์ตลอดว่างี้ทุกเนาะ จนกว่ามันคลายคลายแล้วก็โอเคในจุดนั้ น, นก็ปฏิบัตินันก็โอเคนะครณอาจารย์ก็จิตสก็สบุบ ด, ดีแต่พอคืนที่สี่เกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องขึ้นมาแบบอย่างรุนแรงแต่ว่าพอเข้าห้องน้ำปวดทุกเสียมันก็ทุ เ, ทเลาลงพอเว้นทั้งสองสามวันแล้วก็มันเป็นมาอีกมันเป็นมาอีกคราวนี้ก็ก็ บ่นที่ตกเหมือนกันเพราะว่าเข้าห้องน้ําแล้วมนไม่ออกก็มันยังตื้อๆก็ขึ้นไปเรือนจิดของคุณอาอุษาแล้วก็ไปเอาอยามันแล้วก็พยายามที่จะอยู่กับเขาให้ได้ก็คือวิธีการอยู่ก็คือสวดมนต์นนไหวพ้พระสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งสมาธินะคะอาการแล้วก็มาพิจารณาดูว่าอาการเขาสงบไหมดีขึ้นไหมแล้วก็ถ้าดีขึ้นเราก็ไม่ต้องพักแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ ไปเดินจงกลมต่อแล้วก็แล้วนะัะก็มันก็ดีขึ้นแล้วก็มันก็หายหายไป mm hmm. พอวันจะกลับแล้วว่าอาจารย์ตีนหนึ่งอะปวดท้องขึ้นมาอีกปวดท้องอย่างจังมวลขึ้นมาจุกเสียดแตบบ่หงี้เลยก็อเอาอีกแล้วเดีนน๋ยนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยสุดแล้วก็เอาเข้าห้องน้าก็จัดการก็หายไปก็มันก็ก็อโอเคก็ตรงนั้นก็ ได้เรียนรู้แล้วค่พระอาจารย์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอ<ม>การเจ็บป่วยทางด้านร่างกายก็มาได้ตลอดเวลาแล้วก็ความทุกข์ที่เราเก็บมันมาแล้วค่ะพระอาจารย์ที่เราเก็บก็มาเก็บเข้ามาไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางนะคะพระอาจารย์<ม>ก็คือได้ธรรมะของพระอาจารย์<ม>นั่นแหละว่าต้องเรียนรู้ที่จะปฏิบัติให้ได้แล้วทําให้เรา เราอย่าไปทุกข์กับมันให้ได้เจ้าขาค่าอาจารย์แล้วก็วันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยน้องก็พ่อมาตรงกับอาจารย์อันนี้หนูก็ได้อยู่ลูกก็ได้อยู่กับพ่อครับอาจารย์อันนี้ได้อยู่กับพ่อด้วยพ่ออยู่พ่อถึงก็พ่ออายุเก้าสิบปีแล้วก็อก็ดีใจค่ะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบหแบบว่าแต่พ่อกดนอนจะให้พ่อสมุนไว้พราแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็ให้พ่อขึ้ับ แล้วก็ท <Ừ. S 1> ่อังแล้วได้บางทีในตรงนี้ก็เก็จะพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เวลาขึ้นเขาแล้วนะคะอาจารย์มันต่อยอดเสมอทําให้เรารู้ว่าแต่ก่อนนั้นการยืนไม่เคยได้เลยยืนก็ไม่เคยได้เลยแต่นี้พอเราเดินเดินแล้วมาถึงยืนมันมันมีความปิติ ขึ้นมาคับอาจารย์พอพูดแล้วก็รู้สึกว่ามันซาทั้งตัวเลยก็โอเคมาแค่นี้ก่อนนะคนยังรออยู่เยอะเดี๋ยวต้องแบ่งเวลาให้คนอื่นเอาคนละสองนาทีนะเพราะว่าบีเจ็ดแปดคนคุณยินดีสองนาทีต้องขอไปด้วยแล้วนี้เวลามันบีบรัดไม่ค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับลูกไม่มีคำถามอะไรครับเพียงแต่ว่าคุาอเออ this is ที่สิ s m มในไม่เนิบค่ะอันนี้คือเพื่อนบ้านค่ะท่านอาจารย์แล้วเขาเขาเมื่อวานหนูให้เขาหนูเปิดเออซูมิตติ้งของ In e อ g l i s h uh, ะค่ะแล้วหนู <Yeah. S 1> ก็เขาคู่กับเขาแล้วให้เขาดูว่ามันจะเป็นในรักษะแบบนี้ถ้าคุณสนใจคุณก็สามารถเข้าได้ใน uh, อังคารหน้าเพราะว่าวันอังคารหน้าลูกจะไม่อยู่อะค่ะลูกจะไป <Okay. S 1> uh, กับเดวิดเรื่องวีซ่าที่ประเทศฝรั่งเศสอะค่ะท่านอาจารย์ okay. หนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะแบบสนใจอมากน้อยแค่ไหนแต่มองท่าทางเขาแลแบบจะจริงจังกับเมินเจสแล้วเขาก็ไปซื้อนี่มาค่ะท่านอาจารย์ของโอของโกอินกาค่ะท่านอาจารย์แล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าองั้นเดี๋ยววันนี้ไอพอดีเขาเพิ่งมาเขาเขาเพิ่งมาอลิงด์วอโอค่ะท่านอาจารย์หนูก็เลยบอกเขาว่าแป๊บหนึ่งแล้วหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้เอรู้จักท่านอาจารย์แล้วเดี๋ยว อังคารหน้าเขาจะเข้ามาค่ะท่านอาจารย์โอเค nice to meet you nice meeting you โอเค if you want to join our conversation you can join us next week next Tuesday at about this time eight <Nice. S 2> pm in Thailand time I'm not sure what time it is in your time e i t eight in the morning maybe n i h t ค่ะ n i h t n i นะ <coughs> so we can join, and if you want to ask any question, you can do it there. Okay. Thank you. Right. Okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. t h k a t a n a okay. n n k o h a n k y a n k y o uh, a n k you. t k a t a Thank you. n k o k a y a n k you. t h you. t o u t h y k a t a n a n n k o k a y Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. อาการนวมัสการข่าวพระอาจารย์วันนี้เอิ้ก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วก็มาดีใจที่ได้ยินได้ฟังที่พราาอะอาจารย์อพูดกับน้องตะวันค่ะเอิ้นก็รู้สึกว่าได้อะไรจากการฟังครั้งนี้ค่ะเยอะเออืมดีเราก็จะไม่ได้พูดอะไรกับน้องน้องตะวันพระอาจารย์บอกว่าความบอกว่าจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรเลยนอกจากอริยสัจสีค่ะเออแล้วก็ uh, uh. ทำอะไม่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ uh, uh. ถ้ารู้ว่าชีวิตจริงๆมันคืออะไรก็จะปฏิบัติแค่นั้นค่ะใช่ไม่ต้องไปรู้ว่าอันนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงนี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับพระอาจารย์เออตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์ทุกๆอย่างค่ะเพื่อแบบว่าไม่เพื่อปฏิบัติจริงจัง ม, มากๆเลยใช่รู้วาอารยศัตวรีรู้จักตายรักกันนี้ก็พอแล้วถ้าสามารถเนามาใช้ได้ความทุกข์ก็จะหายไปหมด ข้ะพเจา้าก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันน่าจะเบาลงแต่ที่เคยแบบมาตั้งนานค่ะอืมขอบคุณข้ะอ า, า okay, จา้าอือไม่เคยคุณลีตอมลีสองชั่วสองนาทีการหลวงพ่อข่าอันนี้หนูก็ไม่ไ ม, ไม่มีไม่มีคําถามค่ะก็ยังรักษารักษาการบริวั น, นแล้วก็เพิ่มความเพี่ยนไปเไรื่อยๆค่ะหลวงพ่อแล้วพี่ที่ทำงานเขามานั่งสมาธิด้วยหเปล่า มาค่ะเขาเขาเข้มใช่ค่ะเขาเพิ่มแบบหเห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่เขาเลยอ่ะค่ะหลวงพ่อแล้วเราเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาหนูหนูก็เพราะเพรมันมีใครในออฟฟิศที่มานั่งสมาธิอะไย่งมีคุณบารีเปนคนแรกใช่ไหมมีมีหนูแล้วพอตอนเนี้ยเหมือนไปนําใครต่ใครก็ไม่เจ้าหลวงพ่อมามาแต่ไม่ชมรมเดี๋ยวเป็นชมรมขึ้นมาค่ะหลวงพ่อพอพอวันนี้ พราะว่างกลางวันหนูก็เข้าไปแต่ว่าห้องห้องมันก็จะแบบว่าคนเยอะขึ้นแต่หนูก็หนูก็เลยเดิน mm hmm. คือท่านั่งไม่ได้หนูก็เดินคือแบบตอนเนี้เพิ่ม mm hmm. เพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มเยอะมากเลยค่ะหลวงพ่อคือพยายามหนูฟังฟังที่หลวงพ่อเทศเมื่อวันอาทิตยนะ์ที่มีคนของคุณหมอวีอะคะ่ะที่บอกว่าเ อ, อดีใจที่ได้ฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็เหมือนได้ความรู้แล้วจะเอาคําสอนหลวงพ่อไปปฏิบัติแล้วหลวงพ่อบอกว่า ก็ยินดีแล้วก็ดีใจที่ที่มีคนแบบว่าเข้าใจแล้วจะนําไปปฏิบัติดีกว่า<ม>ที่ว่าเหมือนเหมือนไม่ใช่ว่าพูดประมาณว่าพูดกับกําแพงอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูห น, หนูแต่ว่าหลวงพ่อเสียงเริ่มเริ่มจะเริ่มแผบไปเลใช่ใช่ค่ะ<ม>แล้วอีกนิด น, นึงค่ะหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อไม่ได้เป็นไม่ใช่มีเอฟซีแค่ญาติโยมในห้องนี้อะไรเงี้ยค่ะ แล้วพอดีมีครูบาที่ที่หนูไปดูว่าวัดไหนที่หนูพอจะไปสามารถไปอยู่ได้อะไรเงี้ยท่านท่านก็พูดถึงหลวงพ่อค่ะหนูฟังแล้วหนูยังปลื้มใจเลยค่ะว่าเนี่ยท่านชมว่าหลวงพ่อเทพดีแล้วก็ไม่เคยไม่เคยดุด่าแบบด้วยคําพูดแรงๆอะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อเป็นหลวงพ่อมีมีแฟนสาวเป็นพระด้วยค่ะหลวงพอ่อค่ะ ดีก็มีภาพวันแรกฟังเทศอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวนี้ค่ะวัดวัดที่หนูไปอ่ะค่ะเป็นเป็นวัดที่แบบกําลังสร้างใหม่ได้สักปีปีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะสร้างแบบให้คนไปปฏิบัติอค่ะหลวงพ่อดีต่อไปจะได้มีที่ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูก็ไม่มีอะไรขอหนูขอให้หลวงพ่อรักษาพระขันด้วยนะคะเสียงค่ะดีขึ้นแล้วดีก็ตอนนี้ก็มีแต่น้ำมูก น้ำมูที่มันไหลแค่นี้แต่อากรปวดเมื่อยอาการไข้ไม่มีละแล้วไอตอนตอนนอนช่วงนอนไม่ค่อยไอเลยไม่ค่อยไม่ค่อยไอเท่าไหดีอย่าค่ะหลวงพ่อโอเคนะท่นนนะบอกว่าเป็นหลวงพ่อมากค่ะค่ะสาธุค่ะคเปลี่ยนอไรยอมหยุดเย็นยังยังใช้ส่วนนี้อยู่ค่ะอ๋อใช้อยู่เรื่อยๆเลยเจ้ค่ะเป็นฉายาจ้าค่ะ ก็ไม่มีอะไรเจ้วค่ะก็ปฏิบัติอย่างเดียวค่ะแล้วก็พงนี้หนูไปเกาะแต่ว่าหนูไม่ได้ค้างค่ะหนูก็ใช้วิธีอ่นั่งเรือแล้วก็แล้วก็ไม่แล้วก็นั่งสมาธิหลับตาจนไปถึงเกาะค่ะดีอย่าปล่อยให้เวลาเสียไปโดยไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะค่ะเจค่ะดีโอเคเดินไปที่ท่านต่อไปคุณทีใช้คุณทีพู้มกับ เกับที่น้อสอาการครับหลวงพ่อครับวันนี้มีรายงานที่ทำนะครับคือเหมือนกับว่าคือผมก็ปฏิบัติเจริญสติไปเรื่อยๆครับอาจารย์ท้าได้แล้วครับมีทั้งนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็บริกรรมแล้วก็เดินตรงกรมบ้างนะครับคือของผมมันเหมือนกับว่าพอทำไปได้แล้วเนี่ยมันก็สงบระดับหนึ่งนะครับแต่มันมันไม่ถึงกับเข้าสมาธิได้ทีนี้พอมัน ถอดออกมาหรือว่าบางทีเราเราอยู่อยู่ระหว่างกิจกรรมทําตามทําตามชีวิตนี่ครับประจําวันเนี่ย <S <S <ฮ>บางทีมันมีสิ่งมากระทบเนเราก็จะเห็นมันนะครับแต่ว่าสู้มันไม่ได้ครับอาจารย์คือบางทีเห็นแบบเห็นละเอียดนะครับว่าไ อ, อ้นี่มันเป็นความคิดกิเลสมันเป็นความอยากแต่ว่าเราเราเราแบบจัด ก, การมันไม่ได้คือสมมติว่าเราเอาเอาแบบเหมือนคําสอนที่พระอาจารย์เคยสอนเนี่ยมันเป็นสัญญาเอาไปจับมันใจมันก็ไม่รับมันทีนี้พอเราจะ เอาสมาธิบริกรรมไปสู้กับมันมันก็เหมือนมันพยายามหนีตลอดนะครับก็เลยสู้กับมันแม่สักทีนะก็เลยยังไม่รู้จะทํายังไงต่อครับอาจารย์ครับสติของเรามันมีกําลังน้อยเพราะเวลาเจริญสติของเรามีไม่มากเราต้องไปอยู่แบบพระไปไปปีกเวกสักวันสองวันแล้วฝึกสติทั้งวันดูแล้วมันถึงจะได้มีกําลังมากขึ้นเพราะว่าพอมีอะไรเนี่ยก็จะไปเอากดแห่งกรรมหรือว่าเอาอ กดไตรลักษณ์มาจับมันก็จะจ ะ, จ ะ, จะทําให้แบบมันก็ลดลงไปได้นะครับแต่ว่าอย่างอริยสัจสี่เี่ยผมผมไม่เข้าใจนะครับอจเป็นเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะท่องได้นะว่าพ อ, พอพอลองมาภาคเป็นแบบรู้สึกมันมันมันน่าจะละเอียดเกินไปมันเราไม่สามารถที่จะน่าได้รือเปล่าครับอาจารย์ใช่เพทุกอริยสัจทุกข้อที่หนึ่งก็คือความไม่สบายใจความทุกข์นี่แต่ถ้าบอกทุกคือการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เลยงงอันนั้นอันนั้นเป็นความเป็นภาพรวม ความทุกข์นี้เกิดจากการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแต่ระหว่างที่เราเราอยู่ตอนเนี้ที่เราทุกข์กันก็เพราะว่าเกิดจากเกิดจากต้นานทาความอยากของเร า, เราความไม่สบายใจอยากได้เป็นร่วมกับอย่างนี้แล้วไม่ได้เป็นมันก็ไม่สบายใจแหละใช่ไหมก็เนี่ยพยายามพยายามเอาคําสอนพยายามดูกฎใจรักแล้วก็แล้วก็รู้นะครับว่ามันเป็นทุกข์แต่คือเรายังไม่ผอยังไม่สามารถตัดมันได้ครับอาจารย์ใช่เพราะความอยากมันแรงไงมันเพราะโผล่วกว่าเราทั้ง ทั้งอทั้งการตายทั้งความเสื่อมทั้งโรคภัยไ้เจ็บทั้งอาการอะไรก็ยังแบบมันก็ลดลงนะครับอาจารย์แต่ไม่สามารถตัดันได้ครับ<ช>หรือว่ามันต้องได้สมาธิก่อนเหรอคะอาจารย์ใช่ได้สมาธิให้ใจเรามีความสุขก่อนเราบอ ก, เ, บอกเอ้ะเราความสุขของเราไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งอย่างเดียวนะ <c oughs> เราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีตําแหน่งก็ได้ เพราะผมน่าจะทำลองทุกทางนะครับสุดท้ายมันคําตอบคือมันอยู่ที่สมาธิอย่างเดียวเลยครับท่าอาจารย์ใช่แล้วขายการปฏิบัติสตินั่งสมาธิให้เกิดโอเบคาขึ้นมาครับนั้นพยาหาเวลาไปปีกเว้เดินยจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันอยู่มันเตียงยาอาจจะติดเข้าสู่ความสงบได้ครับถ้ามันสงบแล้วบานทีมันไม่มันไม่สงสัยแล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนมันรู้แล้วไม่ได้อยู่ที่ราบยศสารเสริญมันไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้ แต่อยู่ที่ความสงบของใจนี่เท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้บางทีพอนั่งไปแบบสักแป๊บหนึ่งครับมันก็มันก็สงบก็มีความสุขนะมันเหมือนแบบเย็นเย็นสบายสบายเนี่ยแต่มันยังไม่มันยังไม่สงบมากยังไม่ใช่ใช่ใช่ครับมันยังไม่เป็นแบบว่าเหมือนกับมหาจัจจานใจยังไม่แก้ลองลองมาสามปีแล้วครับอาจารย์ยังไม่ถิงสี่นะครับโอ้ยผ้าบางทีผ้าบางรูปปฏิบัติมาเป็นสิบสิบปียังไม่ได้เข้าไม่ถึงเลยมันไม่ถึงของง่าย เรีนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าบุญนะแล้วอย่างน้อยได้สัมผัสมันเบ า, ม, เบามันเบาขึ้นใจสบายขึ้นนี้ก็เริ่มเข้าสู่รัตนีของความสงบแล้วแต่ยังไม่เข้าถึงตัวตัวตัวความสงบโดตรงแต่ว่ารู้สึกเลยเขาว่ามันมันมละเอียดขึ้นจริงครับมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบ น, นั่นนะครับแล้วทำพยายามฝึกเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับปัญญาเรามีพอพอพอสมควรแล้ว การที่เรากาก็คือสมาธินะครับใช่ครับโอเคหลังจากนี้ก่อนจะไปปฏิบัติทุกวันครับพระอาจารย์ไลูกชายเป็นไงบ้างลูกชายก็เล่นทั้งหัวซนครับช่วงนี้ซนจะรอรอคุยกับคุยกับแฟนอยู่ครับบอกว่าเดี๋ยวรอให้ปักซินงครบเดี๋ยวจะพาไปหาพระอาจารย์ครับตอนนี้นอนแล้วเหรอตอนนี้นอนแล้วครับเดี๋ยวก็ตื่นดึกๆครับประมาณวันฮาทุ่มครับพระอาจารย์มีลูกไม่มีลูกไม่ใช่ไหมมีแต่ทรงอย่างเดียวนะ โอ้โหเนี่ยครับไ ด, ได้ได้เอาธรรมะมาชใช้นะครับเพราะว่าบางทีลูปตื่นแล้วครับางทีแล้วก็มีความโมโหไม่ไรบ้างขึ้นนะโปกบางทีวันเด็กครับแล้วก็คิ่จะเออมันมันเป็นความคิดนะแล้วก็พยายามเอาเนี่ยครับอาจารย์ได้ลองได้ลองสนานจริงนะครับออก็เลยเห็น <ๆ S 2> เลยเห็นนะคนไลยมีรู้คิดว่ามีรู้ว่ามีความสุขเนะมันก็มันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ครับเออใช่แต่เราไม่มันไม่สุขอย่างเดียวนี่ใช่ใช่ครับ เวลามันทุกข์นี่อาจะทำให้เราโมโหขึ้นเหมือนกันได้นะไอท้ที่ไอ้ที่ฝึกมานี่ไ ด, ได้ได้เอาไปใช้จริงนะครับพระอาจารย์เมตตาเนี่ยความเมตตาครับใจภัยเขาไม่ ร, ไมรู้เรื่องหรอใช่ใช่ครับล้วก็คิดว่าเออมันเป็นงี้แล้วก็ถือว่าเราเราฝึกตัวเองครับพระเจ้าที่แบบเรานอนเด็กๆได้นอนอยู่เขาตื่นมาแล้วก็ต้องมาดูแล้วก็โอ้โหมุ่งมากทรมานแล้วฝึกใจเนี่ยมันเป็นความอยากแล้วก็พยายามสู้กับมันอืมโอเคดีครับ ต, ต่อไปจะได้อาจจะไม่อยากจะมีแล้วก็ได้ <laughs> ข้าพเจคาสาธุสาธุขอาจารย์ครับเอคุณกีต้าหน้าไม่นัานครับธรรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะยังเป็นนักข่าวอยู่ปะยังเป็นนักข่าวอยู่เจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้อันนี้มาฟังธรรมเจ้าค่ะมีเวลาก็เลยเดบเข้ามาแล้วเห็นพระอาจารย์ไม่สบายเพระเจ้าค่ะก็เลยเข้ามาขอให้พระอาจารย์ท่านขันแข็งแรงเจ้าค่ะ โอเคขอบคุณมากสาธุพยายปฏิบัติบูชาดีที่สุดการบูชาด้วยการปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าบอกเป็นการบูชาที่เลิศที่สุดโอเคนะเดินไปใชท่านสุดท้ายคุณปานอมอยู่ที่ออริกอนเมืองซล์ม์การนมัสการนะคะอาจารย์ไม่มีคําถามเจ้าค่ะครับเข้ามากระอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติบูชาเจ้าค่ะ แน่แน่มันคงกับทางนี้อยู่แล้วนะทางนี้อยู่แล้วเจ้าค่ะรู้<ม>ทางมหม ด, ดแล้วรู้แต่จะปฏิบัติให้มันมากขึ้นทา่านเองเลยเจ้าค่ะก็มีคิดก็ยังทําไปก่อนแต่ก็ตัดตัดไปได้เยอะมากเจ้าค่ะดีโอเคถ้าไม่มีอะไรก็เอาทันี้ก่อนนะไม่มีเจ้าค่ะกับขอบพระคุณในทำกาสั่งสอนจากอาจารย์ก้อยไปอาจารย์ทัดขึ้นแข่งเลยโอเคไปที่คุณล่ะคำถามสุดท้าย กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดหนึ่งคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเวลาพระป่าท่านอาพาธท่านใช้ธรรมโอสถรักษาอย่างไรครับต้องใช้สมาธิในการรักษาและต้องทําในสนาสมาธิใหม่ครับคือธรรมโอสถก็มีสองระดับระดับสมาธิกับระดับปัญญาถ้ายังไม่มีปัญญามีแต่สมาธิก็ใช้ สมาธิทําใจให้สงบเวลาใจสงบใจก็ไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปใจก็ไม่ถูกกับความเจ็บไขยได้ป่วยแต่เวลาออกจากสมาธิมาถ้าเผลอก็อาจจะเกิดความอยากให้ร่างกายไม่หายเจ็บไายได้ป่วยดัยงนั้นถ้าถึงตอนนั้นอาจจะต้องมาฝึกใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายเป็นตายรักเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดที่นั่นต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา อนันตาเราควบคุมบังคับมันไม่ได้เมื่อมันเกิดมันไม่เจ็บมันมันเกิดขึ้นมาเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ต้องยอมรับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายพอเราหยุดความอยากให้มันหายได้ใจเราก็หายทุกนี่คือใชธรรมเอาสดคือรักษาใจส่วนร่างกายนี้ก็แล้วแต่ตามมีตามเกิดพร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายถ้าคนใช้ธรรมาโอสุดแล้วจะไม่ยึดติดกับร่างกาย มันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ต้องค่อยต้องยอมรับมันท่านั่นเองนี่คือธรรมโอสถไม่ได้มารักษาร่างกายนะรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับความเจ็บความตายของร่างกายโอเคหมดแล้วนะถ้าหมดหมดเวลาพอดีสำหรับวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายที่เข้ามาร่วมสนทนากันนั้นจงนวเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปประพฤติไปปฏิบัต เพื่อความสุขก่อเจริญก้าวหน้าทำยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด